ก็ความในคุธการนิกายอุทานนะสุปปพุทธกุเิสูตรหน้า491ข้อ112นะพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสรรเสริญสรรเสริญการสมาทานศีลสุตตะจากขะปัญญาเป็นต้นเนเป็นการสมาทานประพฤติกุสวรธรรมทั้งหลายอย่าลืมว่าการเข้ามาศึกษา พระธรรมในพระพุทธศาสนาคือการเข้ามาประสมาทานประพฤติกุศสธรรมเป็นการออกจากอักขุศลเป็นออกจากเป็นการออกจากสิ่งที่มีโทษหันเหออกจากทุกข์ภัยทั้งหลายหันเข้ามาหาประโยชน์ประโยชน์ทั้งภพนี้ภพหน้าโดยเฉพาะข้อปฏิบัติเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งผู้ที่เข้ามาศึกษาพระธรรมในพระพุทธศาสนา ที่มาสมาทานยึดถือกุศลธรรมนี่ก็มาจากชนหลายระดับชั้นนะนับตั้งแต่คนจันทานคนอาชีพเทอุจระเนี่ยนะเาเรียกว่าสมัยก่อนเขาใช้คาว่าเทดอกไม้หรือผู้กลุ่มอาชีพโสเพณีฆาทาตกรรมกรตลอดจนถึงเครือขบดีเศรษฐีพรามสมนพรามกลุ่มพระราชามหากษัตริย์ ผู้ครองแว่นแคว้นเป็นต้นบุคคลเหล่านี้ก็มาศึกษาพระธรรมในพระพุทธศาสนาการศึกษาพระธรรมของชนเหล่านั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขอย่างตัวอย่างสุปปะพุทธกุฏิคนโรคเรือนคนนี้นะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่หน้าพระวิหารเวลวันกัลันทกะนิวาปะสถานใกล้พระนครราชครึก ก็สมัยนั้นแหละในพระนครราชครือมีบุรุษเป็นโรคเรื้อนชื่อว่าสุปปพุทธะเป็นมนุษย์ขัดสนกำพร้ายากไรเขบอกว่าจนที่สุดในเมืองนี้นะไม่มีใครจนเท่านี้อีกแล้วในอัตกถาบอกว่าสุปปพุทธะเนี่ยนะก็ตัวที่เขาเนี่ยถูกโรคเรื้อนรบกวนอย่างหนัก โรคเรือนนี่มันเป็นเป็นเชื้อใช่ไหมมันเป็นเชื้อหรือมันเป็นคล้ายๆมแมลงอ่ะนะทีนี้มันเจาะทั้งชรทั้งชายสารพัดในนั้นอ่ะนะมนุษย์สาิตโถความว่าเป็นผู้เข็นใจกว่าเขาทั้งหมดในบรรดามนุษย์จนที่สุดในบรรดาคนทั้งหลายในเมืองราชครืคึ้นคิดดูนะขอทานมันเยอะแยะใช่ไไอ้นี่จนกว่าขอทานธรรมดาอีกอะนะหนักมาก ก็เขานั้นเน่ยเย็บท่อนผ้าเก่าที่พวกมนุษย์ทิ้งเอาไว้ที่กองหยากเยื่อและที่รั้วเป็นต้นมนุ่งหม่มแปลว่าไปเก็บเอาเศษผ้านะเศษผ้าขยะทั้งหลายมาปะปะป ะ, ปะต่อกันแล้มนุ่งหม่มมือก็ถือกระเบื้องเที่ยวไปตามเรือนอ น, นะอาศัยข้าวและพักที่เป็นเดนได้มาเลี้ยงชีวิต น, นะข้าวทิ้งๆิงง้เลือเลื้อ่างๆวสมัยใหม่เราก็คงนึกภาพออกตามสถานีขนส่งก็ยังพอมีบ้างนะ ตามหมอชิด ต, ตามขนสงสายเหนือสายใต้ทั้งหลายสถานที่เหล่านั้นก็มีคนที่เรียกว่าเก็บขยะกินนะนะตามตลาดตามอะไรเนี่ยบุคคลเหล่านี้ก็พอพอมีให้เห็นว่างั้นแม้ของเขานั้นอ่ะเขาก็ไม่ได้ตามความต้องการขนาดเที่ยวกินแบบนั้นนะยังไม่ได้อิ่มเลยมางั้นที่ไม่ได้อิ่มก็เพราะกรรมที่ตนทําไว้ในปางก่อนนะกรรมที่ทําไว้เป็นปัจจัย ทองก็ไม่ได้ใหญ่อะไรแต่ขนาดนั้นก็กินไม่อิ่มเนี่ยนะหาไม่พอกินเขาเลยเรียกว่ามนุษย์ขัดสนเนี่ยนะมันขัดมันสนไปหมดเลยในบรรดาหมู่มนุษย์ทั้งหลายเขาเนี่ยเป็นคนกำพร้าอย่างยิ่งเป็นผู้ยากไรเพราะถูกพวกมนุษย์ติเตียนและดูหมินเดินไปที่ไหนใครก็ดูหมินไปที่ไหนใครก็เหยียดยามเนี่ยนะ นวันหนึ่งนะวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแวดล้อมไปด้วยบริษัทหมูใหญ่ประทับนั่งแสดงธรรมสุ ป, ปะพุทธกุฏิได้เห็นหมูมหาชนประชุมกันแต่ในที่ไกลเทียวครั้นแล้วก็ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าหมูมหาชนเนี่ยจะแบ่งของเคี้ยวของกินหรือของควรบริโภคอะไรอะไรให้ในที่นี้แน่แท้คนมันหิวเนี่ยนะทุกอย่างมองเป็นอาหารหมด หิวถึงขนาดมองทุกอย่างเป็นอาหารเห็นคนประชุมกันก็มองว่าเขาต้องแบ่งอาหารกันกินแน่นอนมันคนหิวมานะเห็นนั่งเราเห็นเรานั่งฟังธรรมานี้ก็บอกต้องมีแบ่งแบ่งของกินกันแน่นะเพราะมันหิวอ่ะนะเหมือนเคยเคยเดินทางไม่เวลาหิวเนี่ยมองเห็นป้ายอะไรเป็นป้ายร้านอาหารไปหมดนี่นะใครที่รถน้ํามันหมดนั่งมองเห็นอะไรก็มองเป็นปั๊มไปหมดนะเพราะอะไรก็เพราะว่ามันต้องการสิ่งนั้นนี่ก็เหมือนกันคนอดอยากหิวโห้อยมองทุกอย่างเป็นอาหารไปหมด มันก็มุติตาด้วยนะคนที่กินอิ่มนอนหลับสุขสบายดีเพราะคนที่ก็อดอยากหิวตอนนี้มีไม่ใช่น้อยนะขณะเนี้เวลาเดียวกันเนี่ยคนหิวเป็นล้านล้านคนเลยแหละมันก็เลยคิดว่าชะหนหนอเราพึงเข้าไปหาหมูมหาชนเราก็พึงได้ของควรเคี้ยวหรือของควรบริโภคในหมูมหาชนนี้เป็นแน่แท้ ลำดับนั้นแลสุปปะพุทธะได้เข้าไปหาหมู่มหาชนนั่นแล้วได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแวดล้อมด้วยบริษัทหมู่ใหญ่ประทับนั่งแสดงธรรมอยู่ครั้นแล้วก็ได้มีความคิดว่าหมู่มหาชนเนี่ยคงไม่แบ่งของเคี้ยวหรือของบริโภคอะไรอะไรให้ในที่นี้เอามานั่งฟังธรรมนี่ไม่มีอะไรกินสักอย่างเลยนะอดแน่แต่ก็บุญเก่าตักเตือนเขาเป็นผู้สั่งสมบุญมาไนงะ คือมันก็ไม่มีใครทำบาปถาวรนะบุญเก่าของเขาเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยให้เขาคิดว่าพระสมณะโคดมนี้ทรงแสดงธรรมอยู่ในบริษัทถ้าอะไรแม้เราก็เพึงได้ฟังธรรมอันนี้บุญเป็นปัจจัยนะสั่งสมอุปนิสัยมาสมควรบรรลุมรรคผลคนมีอัธยาศัยพอจะได้บรรลุมรรคผลใจก็น้อมไปเพื่อฟังธรรมเขาจึงนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ก็คือทายบริษัทนั่นเองด้วยคิดว่าแม้เราก็จักฟังธรรมอันนี้คือความเคารพในธรรมก็ได้มีขึ้นลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกำหนดใจของบริษัททุกหมู่เหล่าด้วยพระไทยแลนะใช้เรียกว่าพุทธจักสุเนี่ยนะใช้พุทธจักสุตรวจ ด, ดูสภาพจิตของหมูสัตว์ทั้งหมดตรวจ ด, ดูความเป็นไปของหมูสัตว์พระองค์ก็ได้ทาไวในพระทัยว่า บริษัทนี้หนาะอ่าบริษัทนี้ใครหนอแลควรจะได้รู้แจ้งธรรมะเพราะว่าการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าถือเอาผู้ตรัสรู้เป็นลําดับแรกอะนะเขาจะแบ่งเป็นสองกลุ่มก่อนกลุ่มพวกบรรลุกับไม่บรรลุอะนะว่าในที่นั้นๆที่จะฟังธรรมเนี่ยมีบรรลุเท่าไหร่แล้วแบ่งผู้บรรลุอีกว่าบรรลุอะไรกันบ้างแล้วก็แบ่งผู้บรรลุตามจริตอะนะว่าแต่ละคนเนี่ยมีจริตอะไรทีนี้พอแบ่งจริตเสร็จก็แบ่งว่า แต่ละคนจะบรรลุด้วยพระธรรมเทศนาชนิดใดเนี่ยนะก็มีการแบ่ง็จแลวพระองค์จึงแสดงธรรมก็พระพุทธเจ้าบำเพ็ญบุญมาขนาดนั้นตรวจได้ทั้งหมดแล้วก็แสดงธรรมทัานการแสดงธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าเวลาจบจึงมีผู้ตรัสรู้ธรรมทรานพระองค์ก็พิจารณาเห็น น, นะเห็นสุปปพุทธกุฐิที่นั่งอยู่ในบริษัทนั้นใครจะเชื่อว่าคนโรคเรื้อนเข้าไปสู่ขายพยาน ที่จะได้ตรัสรู้ทำเน่ยนะครั้นแล้วได้ทรงพระดำริว่าบริษัทนี้บุรุษนี้หนาะและควรจะรู้แจ้งธรรมะนะเป็นบุคคลที่สมควรแก่การเห็นแจ้งอริยสัจธรรมดูว่าของเราฟังสูตรเดียวกันกับคนโรคเรือนเนี่ยนะใครจะได้ดิบได้ดี ก, กันนะโอ้ยแข่งกันอย่างนี้ไม่บาปหรอกมั้งกันแข่งว่าเอ๊ะทำยังไงจะได้เข้าใจคําสอนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เนี่ยนะสูตรเดียวกันทําไมคนโรคเรือนฟังบรรลุ ทำไมเราฟังแล้วก็ใช้เฉยเนี่ยนะอย่างเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นพระองค์นั้นก็ปราลบศปพุทธกุฏิเนี่ยนะถือเอาบุคคลนั้นเป็นหลักในการแสดงธรรมถือเอาผู้ที่จะบรรลุอ่ะนะเป็นตัวอา่าเป็นหลักใหญ่แล้วก็แสดงทานประกาศอนิสงส์ของทานศีลอ่ะนะผลของทานศีลก็เกิดในสวรรค์อ่ะนะใช่แล้วก็ถึงผลของทานศีลเกิดในสุขติโลกสวรรค์อย่างไรก็บริโภคกามทั้งหลาย พระองค์ก็แสดงโทษแห่งกามอันต่ำทรามและเศร้ามองเพราะกาลเป็นเหตุเพราะกาลเป็นปัจจัยในหมู่มหาชนจึงพากันทําบาปมากมายเสร็จแล้วพระองค์ก็ประกาศอานิสงค์ของเนคขมมะประกาศอานิสงค์ของศีลของสมถะวิปัสนาเมื่อใดพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทราบ ว, ว่าสุ ป, ปะพุทธกุติมีจิตอ่อนควรแก่การงานเป็นจิตที่ปราศจากนิวรณ์เป็นใจที่เฟื่องฟูเป็นใจที่ผ่องใส เป็นใจที่สมควรแก่การเห็นอริยสัจเมื่อ น, นั้นพระองค์ประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองคือแสดงอะไรสิ่งที่พระพุทธเจ้าประกาศด้วยพระองค์เองก็คืออริยสัจประกาศนี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปท า, านะประกาศเลยว่าทุกทุกเป็นยังไงก็คือจะใช้พยัญชนะมากมายปานใดก็ตาม เพื่อให้รู้ว่าทุกนี้เบียดเบียนนะเพื่อให้รู้ว่าทุกขนี้เล่าร้อนเพื่อให้รู้ว่าทุกขเนี่ยนะถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเพื่อให้รู้ว่ากองทุกเป็นสิ่งที่แปรไปหมายคือว่าคําว่าทุกก็เหมือนกับที่เราสวดเมื่อกี้ใช่อุปาว่าโดยย่ออุปาทานขันห้าคือตัวทุกหรืออายตนาสิบสองคือตัวทุกอันเนกล้าคิดไหมที่นั่งอยู่นี่แหละคือตัวทุกมาเนี่ยเอาไม่ทุกเหอเรอก็คิดดูนะโอ๊ยกว่าจะ ชีวิตเนีมบริหารเนี่ยนะใครสบายบ้างเรามีบุญจริงๆเลยนะแต่ที่แน่ๆมันทุกเหมือนกันนี่แหละมันทุกเหล่านี้เนี่ยนะเบียดเบียนบีบคั้นปรุงแต่งม้กว่าจะได้ขนาดนี้นะแต่งขนาดไหนกว่าจะได้ขนาดนี้แต่งร่างกายแต่งเอ่อเรียกว่าแต่งเนื้อแต่งเลือดแต่งเอ็นแต่งกระดูกแต่งกว่าจะได้ขนาดนี้แล้วก็แต่งจิตใจอีกมันเรียกว่าสังขตะแต่ในที่สุดจะแต่งขนาดใดก็ตาม สิ่งนั้นก็คือสลายไปนี่นะวิปรินามะแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแต่ว่าก่อนจะแปรปลวนเนี่ยนะเป็นยังไงขันทุกขันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เบียดเบียนบีบคั้นเ ร, ร้าร้อนแปรปรวนเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือตัวยึดถือนั่นแหละคือตัวที่ภาษาไทยก็ใช้คําถูกต้องนะยึดกับถือคาว่ายึดเนี่ยนะหมายถึงว่า ไม่ยอมปล่อยทุกนี้ง่ายๆเพราะฉะนั้นสมุทัยเนี่ยทิ้งทุกอันนี้เพื่อจะถือเอาทุกกองใหม่ทิ้งทุกอันนี้ก็เพื่อจะเอาทุกกองใหม่เพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายเมื่อวิปริณามตายจากภพหนึ่งจึงถือเอากำเนิดเกิดใหม่อีกภพหนึ่งเขาเรียกว่าทิ้งทุกอันหนึ่งถือเอาทุกอีกอันหนึ่งอันนั้นแหละลักษณะของสมุทยัยมันเชื่อมกรรมให้มีผลเชื่อมเชื่อมกรรมให้มีวิบากเชื่อมกรรมเอ่อเชื่อมภพหนึ่งไปสู่ภพหนึ่ง เชื่อมจากกำเนิดหนึ่งไปสู่อีกกำเนิดหนึ่งเชื่อมจากคติหนึ่งไปสู่อีกคติหนึ่งเชื่อมจากวิญญาณทิติไปสู่วิญญาณทิติเชื่อมจากสัตววาสไปสู่สัตววาสนั่นคือการงานของส ม, มุทัยเป็นตัวประสานเขาเรียกว่าสังโยคะสังโยกปริโพธะกังวนอายุหนะนำเกิดในพบใหม่นิทานมันคือต้นเหตุที่มอบกองทุกให้ น, นะเพระนั้นความยึดถือนี่เป็นสิ่งที่ ที่เป็นเหตุแห่งกองทุกที่แท้จริงเนี่ยนะทุกทั้งหลายมีความยึดถือเป็นปัจจัยพระองค์ตรัสว่าทุกทั้งหลายมีอุปธิเป็นปัจจัยหรือทรรมคือกองทุกทั้งหมดมีสมุ ท, ทยัยคือตัณหาเป็นต้นเป็นแดนเกิดแต่ว่าเหตุตัวนั้นความยึดถือเหล่านั้นก็ดับได้ถ่ายถอนได้ถ่ายถอนได้าไดภาษาวาลีเรื่องนิสระณะถอนได้จริงๆนะนั่นเป็นนิโรสั จ, จการถ่ายทอนอันนี้แหละเป็น สังคตะเป็นอมตะ เ, อะเป็นอมตะเป็นความหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งมวลแต่ที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์ได้เนี่ยก็ต้องอาศัยข้อปฏิบัติใช่ไหมเป็นที่น่าสังเกตว่าทําไมพระองค์จึงแสดงมักเป็นข้อสุดท้ายทําไมจึงแสดงอริอรยสัจเนี่ยนะสี่ผู้ใดตรัสรู้ทุกผู้นั้นชื่อว่าตรัสรู้สมุทัยผู้ใด ผู้ใดตรัสารู้สมุทยัยผู้นั้นชื่อว่าตรัสารู้นิโรธผู้ใดตรัสารู้นิโรธผู้นั้นชื่อว่าตรัสารูม้มรรคทำไมไม่แสดงมรรคก่อนล่ะค่อยไปหาอันทุกแสดงมรรคก่อนแล้วนี้พานแล้วก็ทุกสมุทยัยหรือสมุทยัยทุกทำไมไ ม, ไม่ไม่แสดงแบบอย่างอื่นเขาบอกว่าทางภาษาบาลีเนี่ยนะคำใดที่พูดคําสุดท้ายถือว่าคํานั้นเขาต้องการให้จําต้องการให้เอาไปใช้ที่แท้จริงเพราะฉะนั้น ข้อปฏิบัติในอริยาาสัจสีมันยีมีอยู่อันเดียวคือมัจพระองค์ต้องการให้สมาทานให้เกิดการยึดถือให้เกิดการปฏิบัติในอริยมรรคอริยมรรคกับอริยทรัพย์เหมือนกันไหมเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันเพราะว่าค่าแต่พระองค์ผู้เป็นสักกะเนี่ยนะครัว่าสักกะตัวนั้นคือผู้มีทรัพย์มากทรัพย์คือสัทธาสินสุตะจากขะปัญญาหิริโอตปะในหนึ่งอีกในหนึ่งทรัพย์คือ โพี่ปัคคยาธรรมพระองค์ผู้มีทรัพย์คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8การศึกษาพระธรรมของเราทั้งหลายก็เพือเพื่อมาขอแบ่งทรัพย์อันนี้ไปแบ่งทรัพย์คืออริยมรรคจากพระองค์ไปมันพองจึงแสดงอริยมรรคซึ่งอริยมรรคนั้นนะถ้ากระจายออกมาเราเป็นลำดับข้อปฏิบัติก็คือศีลสมาธิปัญญา ศีลก็คือสีลวิสุทธิจิตสมาธิก็คือจิตลวิสุทธิส่วนปัญญาก็คือทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมคามคายาณทัทสนวิสุทธิปฏิปทายาณทัทสนวิสุทธิและญาทัทสนวิสุทธิไอตัวยาณทัทสนวิสุทธินั่นแหละคือมรรคหลังจากที่พระองค์แสดงอริยมรรคเหล่านี้ที่เป็นนิยานิกรรมเป็นธรรมที่นําออกจากทุกข์เป็นสาเหตุให้ถึงความพ้นทุกข์ อริยมรรคอันนี้เห็นพระนิพพานอริยมรรคอันนี้เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมมากมายสุปาพุทธกุเิฟังจบก็ธรรมาจากโสปราสจากทุลีปราส จ, จากมนทินคือโสดาปฏิมรคเกิดขึ้นโสดาปฏิมรคอันนี้ปราสจากกิเลสทุลีนี่คือกิเลสปราสจากมนทินคือความเศร้าหมองโสดาปฏิมรคอันนี้เกิดขึ้นแก่สุปาพุทธกุเิในที่นั้น ขณะที่นั่งอยู่นั่นแหละว่ายังกินจิสมุทะยะธรร ม, มังสัพพันธังนิโรตธรร ม, มังตรงนั้นเขาพิมพ์ตกไปหน่อยสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวล น, นั้นล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาเดี๋ยวเห็นนะว่ามันตกคาอะไรไปตกคําว่าสิ่งทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดายังกินจิสมุทยะธรร ม, มังนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแปลว่า ท si men, ay, men, health, System, ุกขสัตว์ทั้งมวลอุปาทานขันห้าทั้งหมดล้วนแต่มีสมุทัยเป็นแดนเหตุเป็นแดนเกิดสมุทัยเป็นแดนเกิดเป็นเหตุให้เกิดเพรันสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดสิ่งใดตัวนี้เป็นทุกขสัตว์จะเป็นชื่อของอุปาทานขันห้าอุปาทานขันห้าเรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดพระพุทธศาสนาแสดงว่าทำเหล่าใดเนี่ยมีเหตุเป็นแดนเกิด เพราะฉะนั้นเหตุที่ทําให้เกิดกองทุกอันนี้ก็คือสมุทัยสมุทัยเป็นต้นเหตุให้เกิดกองทุกอันนี้ขึ้นสิ่งทั้งมวลนั้นล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลคือกองทุกอันนั้นเนี่ยนิโรธนิโรธธรรมังมีสิ่งที่มีความดับไปเป็นธรรมดาแต่จะดับจริงๆอย่างนั้นได้ก็อาศัยอาศัยอะไรอาศัยอริยมรรคสรุปว่าคําว่า ธรรมจักสุปราจักธุรีปราจักมนทินเกิดขึ้นแก่สุ ป, ปะพุทธโดยการเห็นอริยสัจฟังจบบรรลุอริยสัจเลยเห็นอริยสัจเลยเนะคำว่ารู้ความเกิดคือรู้ทุกขสัจกับสมุทัยสัจ ร, รู้ว่าสิ่งทั้งมวลล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาก็เห็นนิโรสัจจะไอตัวธรรมจักสุเนี่ยตรงนี้เขาบอกว่าบางคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่บอกมรอะ ก็ บ, บอกทําไมก็บอกว่าธรรมจักสุไอ้ธรรมธรรมจักสุตัวนั้นเป็นชื่อของอริยมรรต์ น, นะอริยมรรตตัวนั้นที่ไปเห็นนิโรธนะพยัญชนะสังเกตให้ดูเนี่ยให้ดีนะนี่ทำไมมันพูดผิดสามครั้งแล้วนะเนี่ยธรรมจักสุอันนี้คือโสดาปฏิมครรตคืออริยมรรตที่ประชุมกันขึ้นอริยมรรตโสดาปฏิมรรตอันนี้ปราศจากละออง ละอองก็คือไม่มีฝุ่นฝุ่นคือสิ่งเศร้ามองไปแปดเปื้อนเป็นเหมือนกับทองที่ปราศจากสนิม น, นะไม่มีมลทินเกิดขึ้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งใดคือทุกขสัจจะมีสมุทัยเป็นแดนเกิดเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาถ้าเห็นพระนิพพานแล้วเนี่ยนะสมุทัยเนี่ยดับเป็นธรรมดาแน่นอนเพนราะฉะนั้นโสดาปติมภ์ของท่านเห็นอย่างนี้ท่านก็เลยเห็น อริยสัจเนี่ยนะเป็นพระโสดาบันพันการแสดงอริยสัจของพระพุทธเจ้าทำให้สุ ป, ปพุทธกุติเห็นธรรมคือเห็นอริยสัจจะทำเปรียบอุปมาเหมือนผ้าที่ปราศจากมนทินควรได้รับน้ำย้อมด้วยดีฉะนั้นพันการแสดงธรรมอนุปุพพิกถาของพระพุทธเจ้าคือการซักฟอกสภาพจิตอันนะซักฟอกสภาพจิต ให้จิตนี้เบาอ่อนควรแก่การงานให้จิตไม่มีนิวรณ์กลุ่มรุมเมื่อจิตไม่มีนิวรณ์กลุ่มรุมเป็นจิตที่เป็นกุศลพระองค์ก็แสดงอริยสัจการประกาศอริยสัจเหมือนการย้อมย้อมอะไรย้อมจากใจของปุถุชนให้เป็นอริยชนย้อมให้มีปัญญาเนี่ยนะย้อมให้เกิดศรัทธาเป็นต้นแล้วก็ของเราบรรลุไหมไม่เนาะได้บุญแล้วล่ะ ก็ฟังสูตรเดียวกันนะแต่ว่ากันนั่งอยู่เฉยๆนะยมเล็กเนาะลำดับนั้นแหลสุ ป, ปะพุทธกุติผู้มีธรรมธรรมคืออริยสัจจะทำอันเห็นแล้วมีธรรมคืออริยสัจอันบรรลุแล้วมีธรรมคืออริยสัจอันรู้แจ้งแล้วเห็นธรรมที่นี้คือเห็นโลกุตระธรธรม น, นะเห็นอริยสัจจะธรรมอ่ะมีธรรมะอันอย่างถึงแล้ว ข้ามความสงสัยได้แล้วละวิจิกิจฉาได้ทั้งหมดในในพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณปราศจาก ค, ความเครือบแคลงบรรลุถึงความเป็นผู้กล้ากล้าลกล้าในไหนในพระพุทธศาสนาโดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในศาสนาของพระาศาสดาไม่ต้องให้คนอื่นมาเกลี้ย ก, กล่อมในเรื่องอริยสัจอีกต่อไป ของเราก็ต้องถูกเรีย ก, กล่อมนถูกอ้อนวอนขอร้องได้เธอได้โปรดเธอศึกษาหน่อยเธอมันเป็นบุญเป็นกุศลมันเป็นวาสนาต่อไปในอนาคตนะเนี่ยไม่เสียดายชีวชีวิตที่เหลือนี่เลย อ, อู้ยกล่อมกันนั่นนะนะสำเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างโดยมากไม่สําเร็จโดยมากไม่สําเร็จนะหลายคนไม่สําเร็จเช่นญาติญาติทั้งหลายญาติอนะี ก็หลังจากที่สุ ป, ปะผทักุติเห็นอริยสัจดังกล่าวแล้วเนี่ยนะเห็นพระศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่จําเป็นต้องคนอื่นมามาทําอะไรอีกต่อไปและถือว่าเป็นผู้ที่มั่นคงเต็มที่แล้วเขาก็ลุกจากอาสนะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ พาสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศ ธ, ธรรมะโดยอเนกปริยายนะโดยเหตุมากมายหลายอย่างเปรียบเหมือนงายของพี่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยหวังว่าผู้มีจักสุจะเห็นรูปได้ฉนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นี้ ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระภิสุสงฆ์ว่าเป็นสารณะนะนะพุทังสรารนังฆาามินั่นแหละขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็ตอนที่สุ ป, ปะผู้ทักุฏิเห็นอริยสัตว์ที่เป็นโลกุตระฟังธรรมแล้วก็เรียกว่าถึงสารณะโดยโลกุตระ นะพอจบก็ถึงสารณะแบบโลกิยะอีกครั้งหนึ่งลำดับนั้นแหลสุปปะพุทธกุฏิอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงให้เห็นแจง้งให้สมาทานให้อาหารให้ร่าเริงด้วยธรรมีกระถาชี้แจงให้เห็นแจ้งนะหมายความว่าเข้าใจทั้งหมดเลยเห็นแจง้งไม่ใช่ก็งงๆอยู่เหมือนกันไม่ใช่นะมันก็แจ่มแจ้งนะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งไม่ใช่มึนๆงงๆเอ๊ะ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน้เขาพูดอะไรก็ไมร่รู้เดี๋ยวไปถามอัตกะถาอีกย่างงนะก็สมาทานที่จะยึดถือเอากุศลธรรมสมาทานนี่แปลว่ายึดถือนะยึดถือที่จะประพฤติในกุศลธรรมทาด้วยความอาถรรพ์ไม่ใช่ง้อยยังกะถูกจูงไปไหนก็ไม่ทราบเนี่ยไม่ใช่หมายก็ว่าอาถรร์เต็ ม, มเธอเหมือนกนะับลักษณะฮึกเหมิมนะฮึกเหิมทาด้วยความรื่นเริงไม่ใช่เสื่อซึมเนี่ยนะ ด้วยธรรมมีกระถาท่านธรรมมีพระธรรมของพระพุทธเจ้าเกลี้ยกล่อมให้สภาพจิตเนี่ยเป็นจิตที่เป็นไปกับสติปัญญาเห็นแจ้งมีความเป็นไปในการเจริญกุศลธรรมอย่างไม่ปล่อยปละละเลยเนี่ยนะมีความแกล้วกล้าเต็มไปด้วยความร่าเริงท่านก็ชื่นชมยินดีในพระภาษิตคือคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าลูกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้า กระทำประทักษิณเดินเดินเวียนรอบแล้วก็หลีกไปครั้งนั้นแลแม่โคลูกอ่อนเนี่ยนะนะก็คือนางยักษ์ตัวหนึ่งอ่ะนะไปจำแรงกายเป็นแม่โคก็เลยไปชนสุ ป, ปะผู้ทธกกุฏิผู้หลีกไปไม่นานให้ลม้มลงปลงเสียจากชีวิตเนีย่ยนะโ oh. นะ อ, อ, อ้ยักษ์ศีเจ้ากรรมคนนี้นะฆ่าพระอรหันต์ก็ฆ่าฆ่าใครนะพระอรหรันต์ พระพาหยะทารุจริยะฆ่าพระนาคามีคือป ก, กสาติฆ่าพระโสดาบันคือสุ ป, ปะพุทธกุฏิแล้วไปฆ่าผู้ได้วิปัสนาญาณระดับสูงคือเพชฌฆาตเคขาวแดงเนี่ยนะโอเคฆ่าได้เกือบทุกระดับเลยนะเว้นไม่ได้ฆ่าแต่พระสกา ธ, ธาคามีนะเกือบจะบาปถาวรหมดนะแต่แน่ๆก็คืออรหันตเนี่ยอนันตรยกรรมเนี่ยพระโสดาบันนี่ก็ํา น, นวนว่าไม่ต้องผุดต้องเกิดจากนรกกันแล้วเนี่ยนะ คงอยู่ได้เป็นกับกับสบายๆเลยนะดูแลเนี่ยลำดับนั้นและที่สุดมากด้วยกันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่ารู้นะหลังจากที่สุปปะพุทธ ก, กุฏิตายไปก็ถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสุปปะพุทธกุฏิอันพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงชี้แจงให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อ่านหารให้ร่าเริงด้วยทำมีกระถาแลว้วกระทํากาละคือตายไปคติในบรรดาคติมีห้านะใช่ไหมนรกเปรตเด ร, รชานมนุษย์เทวดาคติของเขาเป็นอย่างไรหมายแค่ว่าเขาเกิดและตายแล้วไปเกิดที่ไหนเกิดในนรกเด ร, รชานเปรตมนุษย์หรือเทวดาพบหน้าการมประภพรูปประภพอรูณประภพของเขานี่เป็นอย่างไรพระเจ้าค่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายศ ป, ปพุทธกธุติเป็นบัณฑิตนะเป็นบัณฑิตนะบัณฑิตคืออะไรผู้รู้ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าเห็นประโยชน์อย่างยิ่งตามที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่โลกุตระธรรมคือปฏิบัติธรรมสมควรแก่โสดาปฏิมาตและไม่เบียดเบียนเราให้ลำบากเพราะธรรมะเป็นเหตุไม่ต้องคอยสอนจําจี้จําชัยอยู่นั่นแหละไม่ต้อง ดูก่อนพิสูุทั้งหลายสุ ป, ปะพุทธกุธิเป็นโซดาบันโซดาบันแปลว่าผู้ถึงกระแสะแห่งพระนิพพานคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชสามาหมดสิ้นสกายทิ ท, ทิวิจิกิจฉาสีและพรตะปรามาสกำจัดริสยาและมัชยะได้อย่างเด็ดขาดเป็นผู้ไม่ตกต่าไปสู่อบายทุคติวินิบาตนรกเป็นธรรมดานิยโตเที่ยง เที่ยงนีแ้แปลว่าสัมมตตนิยามของท่านเนี่ยประชุมลงอริยมรรคประชุมกันลงกันอย่างแน่นตึ๊กเลยว่างั้นแน่นอนที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าไม่ต้องกลัวในที่สดศบปะกผู้ท่าจะแทงตลอดสกทาคามีมรักอนาคามิมรักและอรหัตตมรักตรัสรู้แน่นอ น, อ, น, นอันนี้แน่นอนเพราะท่านถึงกระแสะแล้วแล้วของเร า, าของเราว่าไง ของเราบอกสักวันหนึ่งเถอหนะ่เนี่ยนะสาธุในความรู้อตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าสาธุในความเป็นธรรมดีของพระธรรมสาธุที่ท่านสุปปาพุทธป ฏ, ป, ฏปฏิบัติดีเห็นอริยสัจขอบุญที่อนุโมทนานี้จงให้ข้าพเจ้ารู้อย่างนี้บ้างสิเนี่ยนะสักวันหนึ่งถ้าได้วันนี้ก็ไม่น่าจะเสียใจอะไรใช่ไหมถ้าได้วันนี้จะยินดีเป็นพิเศษเลยเนาะก็ต้องรู้ว่าศีรขาบริบูรณ์หรือเปล่า เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งก็ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรเนาะและเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้สุปปุทธกุติมนุษย์ขัดสนกาพรายากไรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วสุปปุทธกุติเป็นเศรษฐีบุตรอยู่ในกรุงราชครืนี้แลเขาออกไปยังภูมิอ ไปยังภูมิเป็นที่เล่นในสวนก็ไปเที่ยวสวนนะนะได้เห็นพระประเจ ก, กับพุทธเจ้าพระนามว่าตักขระสิกขีกําลังเที่ยวบินทบาตในพระนครครั้นแล้วเขาดำรีว่าใครนี่เป็นโรคเรื้อนเที่ยวไปอยู่เอตามันฝาดเรื่องไงนะเห็นพระเป็นคนขี้เรือนเนี่ยก็คนมันจะทําบาปนะมองเรียกว่าคนที่จะบาปเนี่ยนะมันมองจนได้บาปกลับมาจนได้แหละเชื่อมองเห็นพระหันเป็นคนขี้เรือนไปได้คิดดู แกงใจไปหานรกจริงๆเลยนะเพระะนันใครนี่เป็นคนโรคเรือนเที่ยวไปเขาก็ถ่มน้ําลายถ่มน้ําลายว่าดะถ่มแบบถ่มว่าขี้เรือนนั่นแหละก็หลีกไปเบื้องซ้ายปกติคนที่มีความเคารพนะเขาจะเดินไปทางขวาแต่นี่หลีกไปข้างซ้ายแบบเหยียดหยามมากผลของกรรมมันนั้นนะก็อันนี้เรียกว่าโอมาสวัสดนะเป็นคําะําหยาบนะที่ด่าว่าคนโรคเรือนเนี่ยเป็นคําด่านะเป็นคํา ในวรามิจฉาวาจามี4ี่อย่างใช่ไหมที่เป็นเปิดประตูนรกอ่ะนะคือมุสาวาตปิสุนาวาจาพฤทวาจาและสัมผัสปลาปะอันนี้ก็เจอพฤทวาจาเนี่ยนะเป็นคําพูดที่ตัดความรักตัดความเยื่อใยตัดความอะไรอาวรทั้งสิน้นด่าว่าโรคเรือนนี่แหมมันก็สุดยอดแล้วเนาะก็เลยเศษกรรมตัวนั้นตรงๆเลยเนี่ยทำให้หมกไหมอยู่ในนรกสิ้นปีเป็นอันมากร้อยปีเป็นอันมากพันปีเป็นอันมาก แสนปีเป็นอันมากด้วยเนี่ยนะพูดคำเดียวแค่นั้นเองนะไม่น่าจะเป็นรุนแรงอะไรขนาดนี้ก็ลองไปพูดคำบางคำดูสิหัวขาดเลยแหละมันถ้อยคำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันใครจะคิดนะว่าขยับลิ้นเนี่ยนะสามนิ้วตวัดไตตวัดมาตกนรกขนาดนีนะ้เพราะผลแห่งกรรมคือผลแห่งมิจฉาวาจาอันนั้นเนี่ย เศษกรรมเหล่านั้นที่เหลืออยู่เขาจึงได้เกิดเป็นมนุษย์ที่ขัดสนคือบุญที่เขาเคยทำเป็นเป็นปัจจัยให้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่บาปตัวนี้เนี่ยไม่เลิกราอุปปีและกรรมตามเล่นงานเลยเนะบุญเนี่ยทำให้เขาเกิดเป็นมนุษย์บาปนี่ก็เริ่มเล่นงานบอกแกต้องเป็นมนุษย์ขัดสนนะต้องไปเกิดในแม่ที่ยากจนที่สุดแล้วก็ค ล, ลอดออกมาแล้วแม่ต้องไม่เลี้ยงดูไร้ญาติขาดมิตรเป็นคนกัพระอนาถา ยากไร้ไม่มีที่อยู่อาศัยแต่แต่เขาอาศัยธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว น, นี่ความเป็นธรรมดีแห่งพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตถาคตแสดงเอาไว้อย่างดีอริยสัจธรรมที่พระองค์แสดงไวด้ดีที่เป็นธรรมนาออกจากทุกเขาสมาทานศรัทธาสมาทานศรัทธาก็คือยึดถือเอาศรัทธาในพระพุทธเจ้า ยึดถือเอาศรัทธาในพระธรรมยึดถือเอาศรัทธาที่มีในพระสงฆ์เขามีศีลสมาทานศีล์ยึดถือเอาศีลเป็นข้อปฏิบัตินนะยึดถือเอาศีลเป็นข้อปฏิบัติเป็นข้อเจริญเป็นข้อศึกษาสมาทานสุตะเนี่ยนะสมาทานสุตะก็คือยึดถือเอาการฟังคำสอนการพิจารณาคำสอนสุตะนี้แบ่งออกเป็นสองเรียกว่า โสตสุตะกับการพิจารณาสุตะโดยการฟังกับสุตตะโดยการพิจารณาและเขาก็สมาทานประพฤติยึดถือจากคะยึดถือเอาการสละบาปสละอกุศลสละวัตถุภายนอกเขามีปัญญาสมาทานยึดถือปัญญาที่จะเห็นกรรมเห็นผลของกรรมเห็นอริยสัจธรรมครั้นอาศัยธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วสมาทาน ศรัทธาศีล ส, สุตะจากพระปัญญาเมื่อตายไปเขาถึงสุคติโลกสวรรค์เป็นผู้เข้าถึงความเป็นสหายของเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงเขาย่อมไพรโรดล่วงเทวดาเหล่าอื่นในสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นด้วยวันณนะและด้วยยศพอไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยนะเขารูปงามกว่าเพื่อนเลยเป็นมนุษย์นี่แหมไปที่ไหนใครปิดจมูกเดินผ่านเลยนะ แต่ไปเจอไปเปิดเป็นดาวดึงเข้านี่แหมสวยรูปหล่อกับเพื่อนหมดแล้วก็มีบริยศมากยศแปลว่าบริวารท่านเยอะมากเนี่ยนะมีบริวารมากในถ้าพระอินยังไม่บรรลุพระอินต้องหลบทางให้นะแพรสมีของสุปตะพุทธกุฏิแต่อยู่เป็นมนุษย์เนี่ยไปที่ไหนเขาก็ไล่เขามีแต่คนเหยียดยามใช่ไหพอไปเกิดในสวรรค์เขาก็เลยมีแต่คนหลีกทางให้แสดงความเคารพ น, นอบน้อม พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงทรงแปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าบุรุษผู้เป็นบัณฑิตคนที่มีปัญญานะพึงละเว้นบาปทั้งหลายในสัตว์โลกเหมือนบุรุษผู้มีจักสุเมื่อทางอื่นที่จะก้าวไปมีอยู่ย่อมหลีกที่อันไม่ราบเรียบเสียฉะนั้นผู้ทจน์ตรงนี้น่าสนใจนะมองออกเป็นข้อปฏิบัติได้เลยว่า คนที่มีปัญญาเนี่ยนะเขาจะละบาปเขาจะหลีกออกจากบาปเว้นออกจากบาปถามว่าทำไมเขาจึงต้องออกจากบาปเพราะทางอื่นมีอยู่เนี่ยนะเพราะกุศลมีอยู่ทำไมจะต้องไปทาบาปด้วยใช่ไหมเมื่อกุศลมีอยู่ทำไมจะต้องไปทาบาปทำไมไม่สมาทานประพฤติกุศลล่ะเพรา ะ, ะนั้นเขาก็เลยละบาปเหมือนอะไรเหมือนคนผู้มีจักสุ ถ้าเห็นว่าทางมันมีสองแยกทางเรียบกับทางไม่เรียบเขาจะเลือกเดินเส้นไหนเขาก็เลือกเดินทางที่เรียบหลีกเลี่ยงทางที่ไม่เรียบฉันใดเมื่อมองเห็นว่าอากุศลเป็นทางที่ไม่เรียบเป็นทางที่นำไปสู่อาบายทุกคติวินิบาตนรกบาป ท, ทั้งหลายเป็นทางที่ไม่สม่ำเสมอกายวาจาใจก็ไม่สม่ำเสมอเป็นไปเพื่อทุกเพื่อโทษ ก็มาสมาทานประพฤติความสม่ำเสมอประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาและใจถ้าประพฤติในทางที่ไม่เสมอเป็นยังไงกรรมตัวนั้นเป็นปัจจัยให้มาเป็นแบบสุ ป, ปะพุท ธ, ธกุฏิแต่ทีนี้ว่าอาจจะเป็นเหมือนกันตรงที่เป็นขี้เรือนนี่สิมันไม่เหมือนกันตรงมันลุ่เนี่ยมันจะลําบากมากเนี่ยนะถ้าเป็นเหมือนกันตรงมันลุ่นนี่ไม่น่าเสียใจยนะชาติสุดท้ายถึงจะเป็นคนขี้เรือนก็ไม่น่าหนักใจสักเท่าไหร่หรอกค่ะมันมนลุ่เถอะ แต่ปัญหาว่าเหมือนกันตรงขี้เรือนแต่ไม่เหมือนกันตรงมันลุ้นเนี่ยมันน่าเศร้าใจนะโศกปริเทวะไม่มีเลือกราละมาลองดูข้อความในอัตถกาถาทบทวนเนื้อหาอีกครั้งหนึ่งนะในย่อดหน้าบอกว่าได้ยินว่าวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเวดล้อมไปด้วยภิกษุสงหมูใหญ่เสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรงราชครืพระองค์ก็เสวยบิณฑบาต ท, ที่พวกภิกษุได้มาด้วยดี หมายความว่าภิกษุบินธบาตินี่เขาก็เอาอาหารบินธบาตเหล่านั้นถวายพระพุทธเจ้าด้วยนะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ฉันแต่เฉพาะอาหารของอุบาสกอุบาสิกาฉันอาหารของพิสษุที่บินธบาตมาโดยธรรมด้วยพระองค์เสด็จกลับจากบินธบาตภายหลังพัดแวดล้อมไปด้วยภิกษุจํานวนเล็กน้อยเสด็จออกรอคอยการมาของอุบาสกผู้ถวายทานและพิกษุที่เหลือได้ประทับยืนณนะถิ่นที่รื่นรมแห่งหนึ่งภายในพระนครนั่นเอง ในทันใดนั้นเองพิสูจทั้งหลายมาจากที่นั้นนั้นพากันเวทล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าฝ่ายอุบาสกทั้งหลายเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยหมายใจว่าจาักฟังอนุโมทนาฟังแสดงคําชื่นชมยินดีในบุญกุศลที่ได้ทําไปถวายบังคมแล้วก็กลับมามีการประชุมใหญ่ขึ้นฝ่ายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอาการจะนั่งในขณะนั้นเองพิสูจทั้งหลายก็ปูราดอาสนะอันสมควรแด่พระพุทธเจ้า ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทำประเทศทั้งสิ้นให้สว่างสวยด้วยพระรูปโฉมอันหาอุปมาไม่ได้ไม่รู้จะเอาอะไรมาเปรียบเทียบในความงดงามของพระพุทธเจ้าอันรุ่งโรดด้วยมหาปริศลักษณะ32ประการประดับด้วยอนุพยัญชนะ8ปสิประการอันรุ่งเรืองเวทล้อมไปด้วยรัศมีข้างละว่าเนี่ยนะมีรมีแสงออกจากพระวรกายเนี่ยนะฉายพระพุทธังศีมีสีหประการ สีหประการมีอะไรบ้างคือหนึ่งสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวสีหงส์สวัสดและก็เลื่อมประพัสซอนยอมทาบุญมาน้อยเลยไม่ได้เห็นเลยเนี่ยโทษใครกันนี่โทษวัตตาเนาะไม่น่าในอดีตทําอะไรอยู่เนาะไม่ได้ทําบุญเพื่อให้เกิดได้เห็นพระรูปโฉมที่งดงามมีสีออกมาอย่างนี้พระองค์นั้นแป่งรัศมีดังกล่าวแล้วแวดล้อมไปด้วยหมู่พิกษุเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญแวดล้อมไปด้วยหมู่ดาว นะพระพุทธเจ้าประดุดพระจันทร์พระสงฆ์ทั้งหลายก็ประดุดหมู่ดาวที่แวดล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ประทับนั่งบนบรวรพุทธาฏที่เขาบรรจงจัดเอาไว้ทรงบลือศรีหานาทคือประกาศธรรมดุดไกลสอนราชสีนภพื้นมโนศิลาพระองค์ทรงแสดงธรรมด้วยพระสุรเสียงดุดเสียงพรมอันไพเร ดุดเสียงร้องของนกกระเวกเนี่ยนะตัวตัวเสียงของพระพุทธเจ้านี่ก็เหมือนเสียงพรมลีลาการแสดงที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายอย่างไพเราะเหมือนนกกระเวกเนี่ยนะแตาก็ม่ทำบุญจากครูวิญญาณก็ทามาไม่ดีโซตาวิญญาณก็ทำมาไม่ดีก็อดฟังอีกเห็นก็ไม่ได้เห็นฟังก็ไม่ได้ฟังได้ยินแต่ตัวอักษรเห็นแต่ตัวหนังสือนี่แหละนะดีแล้วที่รู้ว่ามีน้อยจะได้เอาใหม่ ไดทําไมนะยงเล็กนะไปไหว้พระเจดีก็ได้ <c oughs> ว่าเจดียังไงว่า้เจ็ดเจดีแล้วปวดเมื่อยไปหมดยังแปลกใจว่าเอ๊ะมันไหว้หรือมันทําอะไรเนี่ยทาไมไหว้แล้วปวดเมื่อยรถมันขย่ามาก <c oughs> อ้างว่าไหวเจดีเมื่อยเถ <c oughs> มาดูคุณธรรมของพระภิกษุทั้งหลายว่าฝ่ายภิกษุทั้งหลายแล คุณนสมบัติของพระพิสุสมัยพุทธกาลโดยมากเนี่ยนะเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษวิเวกอสังสักะไม่คลุกคลีปรารบความเพียรมีใจเป็นสมาธิตรงนี้ก็ยกอะไรกถาวัตถุว่าพระพิสุสมัยนั้นเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติอยู่ในกถาวัตถุมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารบความเพียร น, นะ มักน้อยสันโดษชอบสงัดเป็นต้นนี้ก็ศีและสิบขาของท่านอยู่แล้วนะพันท่านมีสมาธิมีปัญญาสมบูรณ์ด้วยวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะนั่นเองท่านชอบการตักเตือนตนนะยินดีที่จะสอนตนตนเตือนตนะนะตนโจทย์ตนต น, ต น, ต น, ตนบอกตนติเตียนบาป ก, กล่าวสอนกล่าวสอนก็คือสอนผู้อื่นด้วยสอนตัวเองด้วยอดทนต่อถ้อยคำนะ หมายคําว่าท่านยินดีที่จะรับการตักเตือนเพราะท่านเหล่านั้นสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะอันนี้ก็สังลักษณะของสังฆคุณเน่ยนะสปฏิปันโนเป็นต้นเนี่ยมันสุปฏิปันโนปฏิบัติ ด, ดีก็คือปฏิบัติโดยความเป็นผู้มักน้อยสันโดษชอบสงัดไม่คลุกคลีปารบความเพียรเป็นต้นนั่นแหละเรียกว่าผู้ปฏิบัติดีพระสงฆ์เหล่านั้นท่านแวดล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นเอง แล้วท่านหอมจีวรสีเหมือนอะไรสีเหมือนเมฆครึมๆเหมือนนะไม่ใช่เลื่อมๆใช่ครึมๆกันแล้วกันเมฆนะเมฆเลื่อมๆยมเคยเห็นไหมเขามาตาไม่ถึงมองไม่ออกมาดูว่าพระพิสูจเหล่านั้นเนี่ยนะแวดล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนอะไรเหมือนช้างตระกูลคันทะช้างตระกูลคันทะนี่คันทะแปลว่าวกลิ่น แปลว่าช้างที่อุจาระมาแล้วกลิ่นหอมเนี่ยนะฟังแล้วยังแปลกใจอยู่เนี่ยบอกว่าช้างตระกูลคันทะที่สวมเกราะไว้ด้วยดีเงี่ยโสดลงสระพระธรรมเทศนาพระพิสูจน์เหล่านั้นท่านบอกว่ายิ่งเป็นผ้าอรหันด้วยยิ่งไม่อิ่มในการฟังเป็นผู้ที่มีศรัทธายินดีที่จะฟังอยากคิดว่าท่านบนรรลุแล้วประโยชน์อะไรด้วยการฟังรู้แล้วรู้แล้วอะไรประเภทนี้ไม่มีมีแต่มีแต่ลึกซึ้งยิ่งะนะเพราะว่าผู้ที่ได้ปฏิสัมพิธายิ่งยินดีในการฟัง ฟังสิ่งเก่าแต่เข้าใจใหม่ๆเนี่ยนะยิ่งกระจายออกไปใหม่ๆในยะไม่มีที่สิ้นสุดมันท่านเหล่านั้นเนี่ยเงี้ยโสดลงสระพระธรรมเทศนาการประกาศอริยสัจธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะคำว่าฟังธรรมก็คือฟังอริ ย, ยสัจแสดงธรรมก็คือสแสดงอริยสัจแต่สมัยใหม่มาเพเจอขึ้นธรรมาทบบอกว่าฟังธรรมแสดงธรรมเนี่ยมันยุ่งมากเลย ที่ไหนได้ประกาศมิตรช้าที่ถเป็นต้นซึ่งไม่ใช่ประกาศอริยสัจจะทำบอกว่าฟังธรรมบอกว่าสนธนาธรรมนั่งทะเลาะ ก, กันบอกว่าสนทนาธรรมอมีข้อไหนก็ไม่รู้มาดูบาศกสมัยพุทธกาลบอกว่าฝ่ายอุบาศกทั้งหลายผู้นั่งผู้นุ่งห่มเรียบร้อยมีอุตราสงเรียกว่าผ้านุ่งผ้าห่มสะอาดอุตราสง์เนี่ยหมายว่าผ้าสบายผ้าชมชเฉวียงอะไรก็สะอาดงาม อุบาสกเหล่านั้นในเวลาเช้ายังมาหาทานให้เป็นไปว่าให้ทานเยอะมากานะบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยสักการะเช่นของหอมระเบียบดอกไม้มาลานี น, นะมาลาหรือข้าวตอกดอกไม้พวกผ้าพวกอาหารเป็นต้นนะนะถวายบังคมแสดงอาการนบน้อมแก่ภิกษุสงฆ์แวดล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ อุบาสกเหล่านั้นสำรวมมือและเท้านะไม่ใช่นั่งมือสัน่นเท้าสั่น เ, เคยเนหะ็นไหมไม่ใช่แบบนั้นเงี่ยโสดลงฟังธรรมโดยเคารพเนี่ยนะตั้งใจว่าพระ อ, องค์จะตรัสคำใดออกมาก็บอกว่าพอมานึกถึงกลุ่มพระพิสูจ์ไปขอหวยอกลุ่มโยมที่ไปขอหวยนะกลุ่มโยมที่ไปขอหวยสำรวมยิ่งกว่าพวกไปฟังธรรมอีกพวกฟังธรรมยังคุยกันก็จกกระแจกนะพวกไปฟังเอาหวยเนี่ยนะมันเงียบดูว่าพระจะพูดคําอะไรออกมาเนี่ยนะนเนี่ยนะ พอได้ยินหนึ่งคำปั๊บไปตีความกันโอ้ยพวกนี้นะถ้าฟังอริยศาสตร์แล้วขยันไปตีความขนาดนี้ของมาว่าบรรลุแล้วยอมไม่เคยเห็นพวกไปขอหวยพระเนี่ยนะไปเห็นวมันเงียบไปเป็นร้อยๆก็เงียบมากเลยดูที่พระจะพูดอะไรปั๊บพอฟังไปหนึ่งคำสองคำไปตีความกันเจ้ามือก็รวยตามเดิม นิสรบว่าทั้งพร ะ, ะ, พ, ระพุทธเจ้าประทับนั่งมีพระภิกษุสองวแวดล้อมมีอุบาสกอุบาสิกาวแวดล้อมอีกครั้งหนึ่งนะก็สุ ป, ปะพุท ธ, ธกุฏิคนนี้นะพระเอกของเราก็มาแลนะ้วใชพระเอกบอกว่ า, วามาันก็ตัวเด่นของเรื่องนะเพราะชื่อสูตรอะสุ ป, ปะพุท ธ, ธคนยากของเราเนะี่ยพระเอกตกยากนะถูกความทุรพลทุรพลเนี่ยแปลว่าทุระ แปลว่าไม่ดีอ่ะนะทุระตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ทุระทอทองอ่ะนะ ท, ทุตัวนี้ปนแปลว่าเลวอ่ะนะเช่นทรรดาชทุระดาชนะก็คือฉันใดก็ดีทุระพลก็คือไม่มีแรงหมดเรี่ยวหมดแรงอ่อนเพลียเต็มทีแล้วไม่รู้อดอาหารไปกี่วันแล้วก็ไม่ทราบนะกินบ้างกินนิดๆหน่อยๆถูกความหิวครอบงำเที่ยวแสวงหาอาหารผ่านระหว่างถนนเห็นมหาชนนั้นประชุมกัน แต่ที่ไกลลิฟเลยนะหุ้ยเห็นคนรวมกันเยอะแยะไปหมดเลยเกิดความดีใจขึ้นว่าโมมหาชนนี่ประชุมกันโดยเรื่องอะไรเนอะชะลอยว่าในที่นั้นเขาคงจะแจ ก, กอาหารเป็นแน่แท้คนหิวมันคิดถึงแต่อาหารเลยคนหิวมันคิดถึงแต่อาหารเหมือนคนคนลูกหายเนี่ยนะเห็นเด็กคนไหนก็นลูกเราหมดเลยนะคล้ายๆแบบนั้นคนหิวหิวก็คล้ายๆกันฉะนั้นเนาะเราพึงเข้าไปในที่นั้นสามารถจะได้อะไรอะไรซากอย่างไม่ว่าจะเป็นของเคี้ยวหรือของกิน ขนมมาสักก้อนก็นยังดีเนี่ยนะแต่อะไรนะไอๆขนมทอดๆเห็นไมที่อินเดียนะที่รถวิ่งไปมันก็ฝุ่นตลบไปหมดนะแต่ขนมก้อนนั้นมาสักก้อนก็นกนยังดีไปกโยอมคนไทยเขาไม่ซื้อถวายหรอกเนี่ยเขไปที่กลมวัดแขกว่าไปนั่งฉันหวานเจี๊ยบเลยนะหวานอย่างน้ําเชื่อมนั่นเลยหวานมากเลยไอขนมนั้นอ่ะไอขนมกะชาอะไรเขาอ่ะที่ที่มันก็เหมือนกับตาต้องโขวันเรานี่ยแหละแต่มันย้อมฝุ่นผสมน้ําตาเลเนี่ยนะแต่หวานมากเนี่ยนะ คนไทยไม่กล้าชอปปิ้งเลยน ะ, มะแมลงวันตอมหึงเงี้ยนะไทยไทยนี่เงียบเลยนะแต่แขก็ก็ซื้อกันบริโภคด้วยความมาเ็ดอร่อยเนี่ยนะเราก็เห็นมันตั้งบนจานไม่มีมแมลงวันตอมนะตอนเช้าก็ฉันดูเออหวานดนะีหลายชิ้นมันกัน <c oughs> มันก็เลยก็คนมันหิวมากนะมันเห็นอะไรมันก็อร่อยไปหมดเขามาเนี่ยสมัยบวชใหม่ๆเนี่ยสมัยบวชนเรนเล็กๆเนี่ยโอ้ยเท่ากับเฟิร์สเนี่ย มันหิวบอกไม่ถูกเลยก็เห็นข้าวตากแห้งมันก็อร่อยอ่ะมันหิวขนาดนั้นนะมองเย็นๆนี่เห็นข้าวตากแห้งก็อร่อยทอยํายังไงจะกเช้าสทีเนี่ยข้าวตากแห้งก็เอาเห็นไหมหิวมากนั่นใครที่ไม่เคยหิวเนี่ไม่รู้รอกเนี่ยนะร้องเรืองเนาะอือเรืองกนะ็หิวมาจนชินลนะทนได้ไม่ค่อยกินข้าวกินปลา นี้พูดถึงสุปาพุทธพะพอไปในที่นั้นไปเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์นี้น่าเลื่อมใสน่าชมเชยน ะ, นะคือปารสาธิกะเนี่ยมัน่านาเลื่อมใสามากก็คือในบรรดาผู้ที่น่าเลื่อมใสไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นความเศร้ามองหรือในแง่ของพระธรรมเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสโดยรอบเป็นผู้ที่น่าชมเชยที่สุดเนี่ยนะถ้าสิ่งที่ควรชมอ่ะนะ ไปถึงคล้ายๆว่าไปเห็นอะไรแล้วคนต้องเอ่ยปากชมเลยก็คือพระพุทธเจ้าหน้าชื่นชมที่สุดพระองค์นี้ถึงความสงบที่พระองค์สงบกายเป็นต้นได้เพราะพระองค์ฝึกตนด้วยอริยมรรคที่สูงสุดพระองค์นี้ฝึกแล้วฝึกด้วยนะฝึกด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตตเป็นต้นเป็นผู้คุ้มครองแล้วประกอบด้วยอินทรีย์ที่สารวมแล้วสารวมตาตาของพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าจะไม่เหมือนตาแบบทั่วไป เพราะเป็นตาที่ได้รับการฝึกมาเรียบร้อยแล้วหูก็เหมือนกันกิริยาอาการทั้งหมดของพระองค์ก็เหมือนกันเครว่าดูสีหน้าแววตาท่าทางพอจะรู้ได้ไหมว่าใจของผู้นั้นเป็นยังไงก็พอมองออกบ้างอะนะพระองค์นี้แวดล้อมไปด้วยบริษัทนั้นแสดงธรรมอยู่ครั้นสุปปพุทธกุ ธ, ธิคนที่เรือนเห็นแล้วก็เลยอุ ป, ปนิสัยสมบัติหมายว่า บุญส่วนที่เคยทำเอาไว้ในอดีตชาติบุญอันนั้นที่ตั้งความปรารถนาก็ตั้งความปรารถนานะก็แบบว่าถ้าาเมื่อใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเมื่อนั้นขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสแห่งการบรรลุธรรมขอให้ข้าพเจ้าได้เข้าไปนั่งใกล้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้า เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมก็ให้ทรงจำได้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมได้เห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงแล้วพันไอบุญอุปนิสัยเหล่านั้นที่เขาสั่งสมมาในอดีตเป็นปัจจัยให้ก็เลยตักเตือนคิดว่าชะนาหนเนะแม้เราก็ควรฟังธรรมมันมีคนขี้เรือนเจ็บป่วยอย่างนี้หิวขนาดนี้คิดจะฟังธรรมไม่กี่คนหรอกเนี่ยนะยากมากนะอดอยากหิวห้ยเนี่ยแล้วยินดีฟังธรรมเนี่ยไม่มาก เพราะฉะนั้นสุปบาพุท ธ, ธกุฏิเนี่ยด้วยบุญเก่าด้วยอุปนิสัยเก่าที่สั่งสมมาดีก็อย่าลืมว่าส่วนผลบุญก็ผลบุญส่วนผลบาปก็ผลบาปมันจะแยกกันใช่ไหมนี่ก็เหมือนกันสุปบาพุท ธ, ธพอเห็นแล้วก็มีศรัทธาเลื่อมใสคิดว่าจะฟังธรรมก็ได้นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาก่อนจะแสดงธรรมก็ตรวจดูอุปนิสัยใช่ไหมตรวจดูใจของสัตว์ด้วยใจเรียก ว, ว่าเจตสาเจตสาความว่าด้วยพระหฤทัย ด้วยพระไทยที่ประกอบด้วยพุทธจักรสุจึงอยู่ท่านแสดงยานโดยยกจิตขึ้นเป็นประธานเพราะฉะนั้นจึงเมียธิบายด้วยอาศยานุสยญาณและอินตรยโปรปริ ย, รระยะตญาณการแสดงธรรมเนี่ยนะถ้าพูดโลกุตระธรรมโดยมากยกปัญญาเป็นหลักจะยกปัญญาขึ้นเป็นหลักในในการประกาศโลกุตระธรรมถ้าโลกิยาธรรมระดับล่างๆจะแสดงโดยการยกจิตขึ้นเป็นหลัก อย่างพระพุทธเจ้าตรวจดูวาระจิตของผู้อื่นด้วยจิตจิตตัวนี้เป็นชื่อของปัญญายกจิตขึ้นเป็นประธานแต่หมายถึงปัญญาที่สัมปยุติกับจิตเพราะธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่ธรรมคือปัญญาก็เกิดโดยมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นประธานพระองค์ตรวจดูอาสยะของเหล่าสัตว์ว่าพวกนี้คนนี้อาอาสยดีหรือเลวในบริษัทเนี่ยนะอาสยดีหรือเลวอาสยดีเขา อ, อะไรเป็นเครื่องวัด เลวเ อ, อะไรเป็นเครื่องวัดก็บอกว่าพวกนี้หมกมุ่นในกามหรือยินดีที่จะออกจากกามพวกนี้หมกมุ่นในความกโกรธหรือยินดีที่จะไม่กโกรธพวกนี้มักง่วงหรือว่ามากที่จะออกจากความง่วงอะนะพวกนี้อัธยาศัยเลวหรืออัธยาศัยดีพวกนี้เนี่ยเป็นอัธยาศัยเป็นมิจฉาทิฐิหรืออัธยาศัยเป็นสัมมาทิฐิแล้วถ้า มิชฌาทิฏฐิเป็นกลมอุเฉต ท, ทิฏฐิหรือสัสตทิฏฐิถ้าสัมมาทิฏฐิแค่กรรมสกตาหรือสัจจานุโลมิกยายนก็จะตรวจดูสภาพอาสยะและอนุสยะว่ากิเลสตัวไหนเขารุนแรงเนี่ยนะกิเลสเช่นการมาราคานุใสรุนแรงหรือพยาบาทนุใสรุนแรง น, นะเพราะอนุสใสเป็นชื่อของกิเลส ท, ที่มีกําลังถึงความเรี่ยวแรงแปลภาษาไทยว่ากิเลส ท, ที่รุนแรง น, นะมันแรงแปลงไหนแรง ราคามากหรือโทสะมากหรือโมหะมากหรือวิตถิวิจิกิจชาเป็นต้นแล้วก็ตรวจดูความยิ่งความหย่อนของอินทรีย์ว่าศรัท ธ, ธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาของเขาเนี่ยหย่อนหรือยิ่งศรัท ธ, ธามากหรือศรัท ธ, ธาน้อยความเพียรมากหรือความเพียร น, น้อยสติมากหรือสติน้อยสมาธิมากหรือสมาธิน้อยปัญญามากหรือปัญญาน้อย พอแยกออกอย่างนี้ปั๊บตรวจได้เลยว่าถ้าเขาศรัทธาอ่อนก็แสดงธรรมเพื่อส่งเสรสิมศรัทธาถ้าความเพียรอ่อนพระองค์ก็แสดงธรรมเพื่อเสริมความเพียรถ้าสติอ่อนพระองค์ก็แสดงธรรมเพื่อสติให้สติแก่กล้าถ้าสมาธิอ่อนก็แสดงธรรมเพื่อให้จิตตั้งมั่นถ้าอ่อนปัญญาถ้าปัญญาอ่อนนี่ทำอะไรไม่ได้หรอกภาษาไทยนะถ้าปัญญาอ่อนนี่ทาอะไรไม่ได้แต่ถ้า อ่อนปัญญาไปหน่อยหมายคือว่าปัญญามันลดลงไปหน่อยก็ต้องเพิ่มปัญญาขึ้นอนนะให้ปัญญาเจริญเติบโ ต, ตขึ้นพระองค์ก็แยกเรียกว่ารู้ความยิ่งความหย่อนแห่งอินทรีย์ของเหล่าสัตว์เหล่านั้นบทว่าเจโตปริจัมมณสากาสิความว่าทรงกําหนดจิตของบริษัทนั้นเฉพาะคนนนะตรวจดูเป็นรายคนเลยนะไม่ใช่เหมาไม่ใช่ประเมินเหมารวมไม่ใช่แต่นี่ตรวจดูเฉพาะคนแต่อย่างว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยใช้เวลาคิด ไม่ถึงครึ่งวินาทีก็เรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ทําให้ในชายตรวจดูเหล่าชนพับโพทำมังวิญญาตุงใครเนาสามารถที่จะรู้ทําได้หรือผู้ใดสมควรที่จะรู้ทำว่าผู้สามารถคือเพียบพร้อมด้วยอุปนิสัยใครสั่งสมอุปนิสัยมาสมควรที่จะบรรลุมรรคผลถ้าหากว่าเอามรรคผลที่กําลังจะเกิดขึ้นในขณะนี้ต้องตรวจดูเหตุในอดีตใช่ไหม ตรวจสอเหตุในอดีตว่าใครสังสมเหตุจากอดีตสมควรจะตรัสรู้ได้บ้างถ้าไม่มีล่ะไม่มีก็แสดงทำยังไงให้เขาสามารถตรัสรู้ต่อไปในอนาคตคอองจะแบ่งเป็นสองลักษณะเพรันชั้นแรกถือเอาผู้พอจะบรรลุได้เป็นประมาณแล้วขณะเดียวกันก็เป็นการแสดงเพื่อปลูกฝังอุปนิสัยให้บุคคลเหล่านั้นตรัสรู้ต่อไปในอนาคตด้วยคนอื่นนะคนอื่นที่ไม่ใช่ผู้จะบรรลุ บอว่าเอตะทะัทหโหสิความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้มีพระดำริอย่างนี้ว่าสุปปัพุทธานี้ผิดในพระปฏิเจกพระพุทธเจ้านามว่าตัครัสิกีจึงเป็นเช่นนี้เป็นขี้เรือนอย่างนี้ก็จริงถึงอย่างนั้นเธอก็ยังมีอุปนิสัยแห่งมรรคและผลโทษช่วงอยู่ในภายในนั่นเองดุดแท่งทองที่ถูกฝุ่นกลบเอาไว้ทองก็คือทองนะถึงจะอะไรไปกลบไว้ก็คือทองมันยังค่า เคยเห็นอะไรนะถ้าเป็นสมัยเด็กๆ เ, เนี่ยเขาแบบว่ามีสตังที่มันเปื้อนอะไรเนียสตังเหรียญเหรียญที่มันเปือเป้อนฝุ่นเปื้อนขี้โครนอยู่ใช่ไหมชั้นใดก็ดีนี่ลักษณะเดียวกันะนะทองที่ที่คโครนเปื้อนทองเปื้อนคโครนเหมัน้นเนี่ยภาษาไทยสมัยใหม่เขาใช้คำว่าเพชรในคโครนตมอะ่ะนะก็คือเจอเพชรในคโครนตมเข้าออ ก, กันนะเพราะว่าถูกมิจฉาวาจาเป็นปัจจัยให้เนื้อตัวนี้ดูไม่ออกเลยว่า ไม่น่าเชื่อเลยจะเป็นบัณฑิตได้ยังไงเนี่ยนะถ้าดูจากภายนอกประเมินไม่ถูกเลยนะพอพระ อ, องค์ตรวจดูว่าสุ ป, ปะพุทธคนนี้นี่แหละสมควรที่จะเห็นอริยสัจพระ อ, องค์ก็แสดงอนุปุปภิกขังอนุปุพภิกถาอนุปุปภิกฐานเนี่ยแปลว่าการพูดเป็นไปตามลำดับ น, นะเบื้องต้นก็พูดทานจบทานก็ต่อด้วยศีลจบศีลก็สวรจบสวรก็ประกาศอริยมรรคเนี่ยนะ ทานศีลสวรรค์มัชทานศีลสวรรค์มักการแสดงไปตามลำดับอย่างนี้เรียกว่าอนุปพิกะาะจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงอัาธะพร้อมด้วยเหตุ ต่อแต่นั้นทรงแสดงอาทีนวะโดยนิยต่างๆเพื่อให้หมูสัตว์สงัดแล้วแสดงวิวัตต์โดยประกาศคุณแห่งเนคขมมะเป็นประธานของเหล่าสัตว์ผู้มีใจสลดเพราะการฟังโทษคือลักษณะการแสดงธรรมของพระองค์เนี่ยนะยังไงก็คือประกาศอริยสัจใช่ไหมประกาศอริยสัจก็คืออาัศาธาธีนวตานิสรณัมปิจะเนี่ยนะพลังอุปาโยจะก็คือการแสดงอาัศาธาแสดงอาทีนวะแสดง นิสรณะเนนะและอุบายอันนะแสดงผลแสดงอุบายและอนัตอันนัะ้ตามตามที่ไหนเคเรียนมาแล้วในติปกรณ์เทศน า, าระเนี่ยนะหรือถ้าพูดแบบภาษาทั่วๆไปที่คุ้นเคยก็คือแสดงทานศีลผลแห่งทานศีลก็คือสวรรค์แต่แล้วก็ประกาศอริยมรตต่อจากนั้นอันนะี้ก็คิดดูนะว่าพวกสัตว์ในอบายไม่มีการตรัสรู้ทำรอก อ ะ, อะไรนะพระนางสุมเมธาว่าไงนะีใครอ่านเทรีกาธาบอกพระนางสุมเมธาบอกว่าพวกสัตว์นรกไม่มีการประพฤติพรหมจรรย์ณเพคะว่าน้นคือมีอยู่ครั้งหนึ่งจะขอพ่อบวชพ่อก็ไม่ไม่ยอมให้บวชโดยประการทั้งปวงทีนี้นางก็มีคําตรงหนึ่งบอกบอกพ่อนะบอกว่าในนรกไม่มีการประพฤติพรหมจรรย์ณเพคะว่าไงก็ประกาศว่าผู้ที่จะบรรลุธรรมไม่ใช่กลุ่มสัตว์ในอาบาย ผู้ที่เกิดในอบายบรรลุธรรไม่ได้ผู้ที่จะตรัสรู้ทรรได้คือพวกที่เกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะนั้นการแสดงสวรรค์จึงสำคัญมาดูลำดับของอนุปุพิกรถาต่อไปว่ากรถาอันเกี่ยวเนื่องด้วยคุณของทานคุณของทานก็คืออ น, นิสงค์ของการให้ทานโทษของการไม่ให้ทานเป็นต้นเชื่อว่าทานกระทัง ฐานกถาคือพูดเรื่องทานเช่นยกตัวอย่างว่าขึ้นชื่อว่าทานนี้การให้ทานไอ้พูดถึงไอ้ตัวทานก่อนเนี่ยอะไรทานข้าวของเป็นทานหรือว่าโรงทานหรือว่าตัวร่างกายของผู้ให้เป็นทานหรือว่ามือที่ยื่นให้เป็นทานหรืออะไรก็ได้เป็นทานเจตนาเป็นตัวทานเนี่ยนะเจตนาที่ให้นั่นแหละเป็นทานเพราลกิริยาที่ยื่นมารับไปเนี่ยนะไม่ยื่นมารับไปไม่ใช่ยื่นไปแล้วก็รับมาอันนี้ไม่ใช่ทาน ยื่นมารับไปได้ยื่นไปรับมาเออใช่ยื่นไปแล้วก็รับมาเออใช่ละอันนี้คืออะไรช้อปปิ้งอ่ะก็ยื่นช้อปปิ้งก็ยื่นไปก่อนเลยื่นสตังไปก่อนแล้วก็รับของมาดีก็รับของมาแล้วก็ยื่นสตางไปอันนี้อย่างนี้ไม่ใช่ทานเพราะไม่ไงั้นใครช้อปปิ้งทั้งวันก็รวยมากเลยนะรวยบุญรวยกุศลแนี่ไม่ใช่ทีนี้ต่อไปตัวทานก็ไม่ใช่ตัวของแต่องค์ประกอบของการให้ทานมีสามอย่างหนึ่ง เจตนาที่ให้สองของที่จะให้สผู้รับสอย่างนี้อะไรเป็นบุญ1เจตนาให้สองของที่ให้สมผู้รับบุญอยู่ที่ไหนนะก็โมทนาด้วยนะก็ยังมีคนบางคนเข้าใจผิดว่าบุญนี่มันอยู่ที่ผู้รับวา่ากันบางคนก็บอกบุญอยู่ที่ของบอกพวกที่บอกว่าเออบุญอยู่ที่ผู้รับถ้าผู้รับตายบุญโยไม่ตายไปด้วยเหร อ, อะก็ไม่ใช่นะบุญไม่ได้อยู่ที่ตัวผู้รับสอง บุญอยู่ที่ของผู้ให้ถ้าโยมถวายข้าวตอนเช้าและเย็นมันบูดจะว่าไงบุญก็บูดหมดทันบุญก็ไม่ได้อยู่ที่ของให้บุญอยู่ที่ใจที่คิดจะให้บุญที่คิดจะให้ที่มันสําเร็จเป็นบุญมีคุณมากมีนิสงมากก่อนให้ใจก็เป็นโสมนัสรู้คุณแห่งการให้เป็นต้นอย่างดีกําลังให้ก็โสมนัส ประกอบด้วยปัญญารู้อา น, นิสง์แห่งการให้อา น, นิสง์มืวานบอกแล้วนะแปลว่าอา น, นิสง์แปลว่ากําไรนะกำไรที่เกิดจากการให้เพราะการให้ทันนะว่าเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเป็นการลงทุนเพื่อมีผลในอนาคตต่อไปเมื่อให้เสร็จแล้วก็ก็ดีใจนะใจก็ปลื้มใจ และตามระลึกในวันหลังหลังจากนั้นไปก็โสมนัสปีติและปราโมทแต่ว่าคนสมัยใหม่ให้ทานในตอนให้ดีใจมากเลยนะหลังจากให้ไปก็มานั่งเศร้าแม่ถ้าให้น้อยกว่านั้นก็ดีถ้าไม่ให้ก็น่าจะดีกว่า น, นั้นนะนะก็กลายเป็นเป็นกลุ่มนี้ไม่ใช่น้อยพวกนี้เนี่ยหอะไรนะลงทุนดีอ่ะนะแต่ว่าไปจุดไฟเผาบริษัทหมดเลยยังง คือการให้ที่ดีที่ที่มีคุณเนี่ยนะจะต้องประกอบด้วยอย่างหน้ก่อนให้ใจก็ผ่องใสกาลังให้ใจก็ผ่องใสให้เสร็จแล้วก็ปราบปลื้มปีติระลึกถึงวันหลังก็ปีติเขาบอกว่าบุญจะมากจะน้อยอยู่ที่ว่าตามระลึกวันหลังแล้วเนี่ยนะแต่ถ้าระลึกแล้วปลื้มบ่อยๆตัวนั้นอนะ่ะเป็นบุญที่มีกําลังมากบุญมากถ้าตามระลึกเมื่อไหร่ก็เช้าลงเช้าลงแห้งลงแห้งลง แล้วก็เสียใจดีไม่ดีโกรธคนรับอีกโกรธคนชวนให้อีกอย่างเงี้ยถ้ายอย่างงี้ก็บุญอันนั้นเนี่ยแม้แทบจะไร้คุณค่าเลยนะไม่มีผลมากไม่มี น, นิสง์มากเพราะั้นไอ้ที่มีผลมากมี น, นิสง์มากเนี่ยก็คือทานที่ประกอบด้วยการสีดังกล่าวไปคือก่อนให้กําลังให้แล้วก็ให้เสร็จแล้วหลังจากนั้นต่อๆ่ต่อไปถ้าทานใดระ ล, ลึกถึงแล้วปลื้มใจบ่อยๆทานนั้นมีผลมากมี น, นิสง์มาก นการให้ทานอ น, นั้นเนี่ยนะถ้ารู้อ น, นิสงค์รู้อ น, นิสง์แห่งการให้ทานใช่ไหมว่าเป็นยังไงบ้างว่ารู้อ น, นิสงค์คือรู้ว่าการให้ทานเป็นเหตุแห่งความสุขเนะคนที่ทุกข์ก็เพราะคนไม่ได้ให้ทานแต่ถ้าคนให้ทานมามากๆรู้อ น, นิสง์แห่งการให้ทานตามระลึกถึงวันหลังก็มีความสุขสุขทั้งสุขทั้งโลกนี้แล้วก็สุขทั้งโลกหน้า การให้ทานนี้เป็นมูลแห่งสมบัติทั้งหลายเป็นมูลแห่งการมีเข้าของเครื่องใช้เป็นมูลแห่งการมีบ้านช่องอยู่อาศัยเป็นมูลแห่งการประกอบอาชีพทั้งหลายเป็นมูลแห่งการอยู่สุขสบายเนี่ยนะ การให้ทานเป็นที่ตั้งแห่งโภคทรัพย์ะนะเป็นที่ตั้งแห่งโภคทรัพย์ข้าวของเครื่องใช้ทั้งหลายเพราะอถ้าเราเวลาได้มีข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์เครื่องปลื้มใจทั้งหลายแหลให้นึกแ่ว่านี้เป็นผลของของเก่าที่เราเคยให้ทานมาในอดีตการให้ทานเนี่ยเป็นที่ต้านทานต้านทานก็คือเป็นหมายความว่าที่ต้านทาน เอาอะไรเป็นเครื่องต้านทานก็คือเครื่องป้องกันนั่นเองการให้ทานนี้เป็นเครื่องป้องกันเป็นที่หลบเร้นเป็นที่หลีกเร้นเป็นที่คติคือที่ไปในเบื้องหน้าของสัตว์ผู้ดำเนินไปตามทางที่ไม่สม่ำเสมอมันถ้าเราไม่ได้ให้ทานมาอย่างที่เมื่อวานพูดถึงว่าสมมติถ้าเราจะต้องสมมติพระพุทธเจ้าองค์นี้เราไม่ได้บรรลุเราจะต้องไปบรรลุพระศีอานสมมตินะ ถ้วอีกกี่หมื่นล้านปีก็คิดดูนะพระสิอานยังไม่ได้ลงมาแบบพระเวสสันดรเลยอ่ะอนนะท่านก็ต้องลงมาแบบพระเวสสันดรก่อนซึ่งท่านไม่ลงอยู่แล้วสมัยแบบนี้อีกนานกว่าจะได้ลงมาทีนี้ท่านลงมาแล้วไปเกิดอยู่ในดุสิตอีกกี่ปีเกิดอยู่ในดุสิตอีกห้าร้อยเจ็ดสิบหกล้านปีล้านปีเนี่ยนะแล้วกว่าจะลงมาเป็นพระโพธิสัตว์ในยุคคนมีอายุ แปดหมืนปีในตอนนี้กี่กี่ขวบกันนะถ้าสมัยคนอายุแปดหมืนปีนะถ้าอายุสี่ห้าิบนับขวบนะเไม่นับปีหรอกดูท่าแล้วนะถ้าเด็กเขเด็กคนนี้กี่ขวบห้าขวบหกขวบใช่ไหมถ้าของเราทั้งหลายอายุเจ็ดปดสิบนี่เขนับขวบแน่นอนนะเพราะสมัยสมัยคนอายุแปดหมื่นปีเด็กหญิงอายุห้าร้อยจึงสมควรจะมีสามีก็ใช้คําว่าเด็กหญิงนะเด็กหญิงอายุห้าร้อยปีจึงสมควรจะมีสามีได้ คิดดูแล้วแล้วเราทํำยังไงกันเนี่ยนะแล้วเราถามว่าจากนี้ไปอีกนั่งเป็นหลายๆพันล้านปีเนี่ยเราจะหนึ่งเราเราอยู่ทุกวันนี่เรากินข้าวโดยเฉลี่ยวันละสามมือ้อเฉลี่ยรวมๆมันะอดบ้างหิวบ้างอิ่มเกินบ้างอะไรบ้างแต่เฉลีย่ยเกณฑเฉลี่ยรัวัน ล, ละสามรอบวัน ล, ละสามรอบนี่จะต้องเออหนึ่งวันเนี่ยหมดอาหารไปกี่กิโลกรัมแล้วก็เอาน้ําหนักมาตวงตวงรวมกันดูว่าควรจะกินอาหารกี่ภูเขา ถ้าเอาอาหารมากองเนี่ยภูเขากี่ลูกกว่าจะได้ขนาดนั้นเอที่จะมีอาหารอยู่ได้ยาวขนาดนั้นต่อไปมีบ้านบ้านหนึ่งหลังเนี่ยมีอายุผูกกี่ปีแล้วเราจะต้องมีบ้านอีกกี่หลังจึงจะได้อยู่นานขนาดนั้นนะนะแล้วจะต้องใช้รองเท้ากี่คู่จะต้องใช้เสื้อผ้ากี่ชุดกว่าจะดาเนินไปถึงวันนั้นแล้วควรจะอยู่ในสภาพไหนจะต้องกินยาอีกกี่เม็ดเป็นต้นเนี่ยนะก็มาคานวณดูเถอะ ทางในวัตฏะที่จะมีต่อไปนี่มันไม่สม่ําเสมอมันไม่แน่นอนขนาดนี้พูดอย่างนี้ไม่ใช่เรียอะไรนะเพราะไม่ให้ไม่ได้แปลว่าพูดเรียอะไรนะแต่เล่าให้ฟังถึงว่าเหตุกับผลเหตุกับผลต่อไปเดี๋ยวจะว่าไม่เตือนกันบอกเนี่ยไปฟังท่านพูดแล้วอดีตชาติท่านเห็นบอกโยมเลยอย่างนี้นนะไม่ได้เนี่ยเตือนเสร็จแล้วนะในนั้นชีวิตที่จะมีต่อไปในวันหน้าเนี่ยนะจะบริโภคอะไรจะทานอะไรจะกินอะไรเพราะว่าชาติหน้าเนี่ยพ่อแม่เราไปด้วยเราไหมทางใครก็ทางใครเราบอกงั้น มันเมื่อทางใครก็ทางใครแล้วทางในวัฏฏายมว่ามันเรียบหรือมันไม่เรียบในโลกนี้คนอิ่มมากและหิวมากอย่างเงี้ยนะคนที่อยู่สบายหลับสบายนอนสบายใครเครียดมากไม่เครียดรเรื่องปัจจัยสี่เดือดร้อนกันทั้งนั้นเนะ่ยโดยมากโดยมากเดือดร้อนเรื่องปัจจัยสี่กันทั้งนั้นเนะี่ยกินไม่เอ่บดูหน้าแต่ละคนเนี่ยไม่ค่อยจะยิ้มให้กันสักเท่าไหร่เลยนะเพราะ เขาไม่ได้ให้ทานมาคนที่ไม่ให้ทานมาเนี่ยนะจึงเป็นคนที่ไม่มีที่พึ่ง ion, ไม่มีที่พำนักไม่มีที่ยึดหน่วงไม่มีที่ต้านทานไม่มีที่เร้นไม่มีที่ไปใ e ah. นเบื้องหน้าเมื่อวานก็เลยชวนคุยกันลุงเรืองอรัลุงเรืองจะไปไหว้พระเจดีย์เนี่ยลุงเรืองจะหาอะไรไปบูชาบอลุงเรืองว่าคิดไปคิดมาอะไรดีเราบอกสมเอาดอกไม้ทูบเทียนน่ะนะระว่างกันลุงเรืองบอกจะเอาดอกไม้ทูบเทียนวมาไหนซื้ออยังไม่รู้นี่เนี่ยว่าจะไปบูชาพระเจดีย์เนี่ยไม่ได้นะพูดกับพระแล้วพระไม่ลืมง่ายๆหรอกนะ ห่วงตลอดนะั้นอย่างเรามีอะไรเป็นเครื่องเจริญกุศลที่พอจะให้ปลื้มใจสมมติชาติหน้าเราคิดอะไรนะเอาเป็นเกาะแหมยอย่างน้อยก็แล้วชาติมันไม่ได้มีกี่ชาติสมมติว่ากว่าพระศรีอานจะมาเนี่ยถามว่าโดยระยะเวลาเฉลี่ยเป็นยังไงรู้ไหมบอกแผ่นดินนาะ16กิโลเมตรหรือร่วม20กิโลเมตรรอไปเถอะไอ้จากระหว่างนี้จะต้องบริโภคอะไรจะต้องอยู่ยังไงใช้อย่างไงจ่ายอย่างไงจะต้องคิด คิดให้มันเยอะๆนะเพราะว่าทางของเรามันไกลเหลือเกินนะไม่ใช่แค่จากนี้ไปตายหรือไม่ใช่แค่ชาติหน้าไม่ใช่แค่สองชาติสามชาติถ้าเจ็ชาติเขายังชั่วนะโสดาปฏิมาก็ไม่ยอมเกิดสักทีหนึ่งจะไปเกิดได้ยังไงในะงานการก็ไม่ทําอย่างเงี้ย น, นะส <c oughs> ึกษาก็ไม่เจริญเท่าที่ควรมันจะไปเกิดได้ยังไงโสดาปฏิมาโสดาปฏิมาเกิดขึ้นเขายังชั่วนะยังบอกว่าเออแม่อีกเจ็ดคนแค่นั้นแหละ แต่นี้ถ้ายังไม่มีโส ด, ดาปฏิมุกโสดาปฏิมักมองใครจะเป็นแม่เราไปได้หมดเลยนะเอ้าไม่เชื่อเหรอเพราะสัตว์ทั้งหลายเดี๋ยวก็เปลี่ยนกันเป็นแม่เป็นลูกเวียนๆกันอยู่นั่นแหละมันก็วัตตะมันก็เป็นอย่างนี้พรานการให้ทานจึงเป็นเหมือนกับสเสบียงทางเนี่ยนงะ ที่พึ่งที่พักที่ยึดหน่วงที่ต้านทานที่เร้นที่ไปในเบื้องหน้าเช่นกับการให้ทานนี้ย่อมไม่มีในโลกนี้และโลกหน้าการให้ทานเช่นกับอาสนะสีหะที่สําเร็จด้วยแก้วเพราะอัฏฐาว่าเป็นที่พึ่งถ้าคนไม่ให้ทานเนี่ยยอมเชื่อไหมไม่มีเวลามาฟังธรรมหรอกฟังก็ฟังไม่ได้มาฟังธรรมก็ฟังไม่ได้แม้กระทั่งพอมีเวลาก็เดินทางมาฟังไม่ได้ ถ้าไม่ให้ทานไม่มีแม้กระทั่งที่จะนั่งฟังธรรมเนี่ยนะถ้าคนไม่มีบุญเนี่ยมันเดือดร้อนโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะเดือดร้อนมากอดยากหิ้วห้ยเป็นต้นเนี่ยนะเพราะ้นการให้ทานนี่จึงเป็นเหมือนกับที่นั่งอย่างดีเป็นเหมือนกับมหาปตพีเพราะอาธิวาว่าเป็นที่พำนักเป็นที่พำนักอาศัยได้จริงๆการให้ทานเป็นเหมือนกับเชือกสําหรับยึดยึดยึดน่วงเ่ยนะยึดน่วงสมมติว่าเวลาเราเดินข้ามอะไรที่มันจะต้อง มันโครงอ่ะนะมันโครงก็ต้องมีเชือกไว้เรียกว่าราวะนะเป็นเหมือนกับราวบันไดเอาไว้เกาะมันการให้ทานนี่เป็นเหมือนเรือเรือนาวาเพื่อจะนําข้ามจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งข้ามออกจากกองทุกขการให้ทานเป็นเหมือนกับผู้กล้าในสงครามเพราะเป็นที่โล่งใจแต่ว่าแม้กว่าจะให้ได้นี่มันรบกันอยู่นานนะรบกันอยู่นานก็มีอยู่ครั้งหนึ่งในเรื่องอะไรนะพราม์จูเลกาสาดกไหม บอกเขาฟังธรรมนะ่ะปิติมากเลยนะนต้องจะต้องเอาอะไรบูชาพระพุทธเจ้าไหนก็มีแต่ผ้าอยู่พื้นเดียวจนแค่นั้นนะมีผ้าพื้นเดียวจะเอาผ้านี่แหละถวายพระพุทธเจ้าเฮ้ยมาให้ได้ยังไงนี่ผ้าพื้นนี้นะกลางเนี่ยที่เรามาฟังธรรมกลางวันกลางคืนเราก็หอมมากลางวันเมียเราก็ต้องเอาไปหอมถ้าเราให้ทานนะั้นแล้วเมียที่ไหนจะเอาไปหอมยังไงนะนี่ไม่ใช่ของเราคนเดียวนะของเมียด้วยแล้วเราจะไปเข้าสมาคมที่ไหนได้เพราะเรามีผ้าอยู่พื้นเดียวสรุปว่าไม่ต้องให้บางนั้นเถอะ รบกระจายอยู่ฟังธรรมไปอีกปีตกีก็จะให้อีกนะก็รบอยู่นะนนะทั้งคืนเลยนะรบกับไอ้มัจฉริยจิตเนี่ยนะสรุปว่าคนที่จะให้ทานเนี่ยคิดคิดมากนักว่าจะให้ได้แต่ละอย่างคิดไปคิดมาหลายคนจนได้เหตุผลอันสมควรว่าเออเป็นอันว่าไม่ให้ก็ไม่เป็นไรนะเออไม่ได้ทําก็ไม่เป็นไรอุ้ยเสียดายจริงๆแหมหน่าจะได้ทํานโยมจะได้ยินคําประเภทนี้ไม่มาก ไม่เป็นไรหรอกเนี่ยไอ้ไม่เป็นไรนี่ไม่รู้มันแปลว่าอะไรเนี่ยไอ้ไม่เป็นไรเนี่ยนั่นแหละมันเป็นแล้วนะไอ้ไม่เป็นเนี่ยมันเป็นแล้วนะมันเป็นไปเรียบร้อยแล้วนะเพราะอกุศลเรียบร้อยแล้วอ่ะมันเป็นไปแล้วอ่ะจะว่าอย่างไรเพราะนนั้คนที่ไม่ฉลาดเลยนะคนที่ไม่ฉลาดหาเหตุผลจนไม่ได้เจริญกุศลคนฉลาดเขาหาเหตุผลจนต้องเป็นกุศลไม่มีเหตุผลเลยที่จะต้องทําอกุศลมีเหตุผลอย่างเดียวต้องทํากุศลเท่านั้น คนถ้าไม่ให้ทานเนี่ยนะอยากคิดนะแม่ศีลจะรักได้รักษาศีลมารักษาศีลไม่ได้หรอกถ้าไม่ให้ทานเนี่ยนะแม่แต่ศีลก็รักษาไม่ได้จะฟังธรรมก็ฟังไม่ได้ไม่มีโอกาสแม่แต่จะฟังธรรมถ้าไม่ได้ให้ทานมาเนี่ยนะที่จะเจริญสมถวิปัสสนาก็ยิ่งไม่ใช่ฐานะก็อย่างว่าเนี่ยคนขี้เรือนฟังธรรมบรรลุนะถ้าเขามาจําไม่ผิดหรืออ่านเรียนยังไม่ถึงก็ตามแต่รู้สึกมีสุปปพุทธะอยู่คนเดียว ท, ที่ขนาดนี้แล้วบรรลุนะั้นมีอยู่คนเดียวที่เหลือมแทบไม่ได้ยินเลยมีแต่รวยกว่า น, นี้ทั้งนั้นนะแหละก็เช่นอะไรนะอีกคนหนึ่งนะที่จนมากก็คือคนที่หอบอ า, า อ, าอาชีพเทอุจาระไปทิ้งนะนะสมัยก่อนไม่มีซ่วมแบบแบบแบบบ้านเราใชไมไม่มีไอ้ระบบขนถ่ายอุจาระก็มีคนอาชีพหาบอุจระหรือทูลอุจาระไปทิ้งนอกเมืองนะ ผนก็มีอีกคนหนึ่งอะที่เชื่อท่านสุเนตที่บรรลุปเป็นพระอรหันต์ก็มีอยู่เท่านั้นอะที่เหลือก็มีแต่กุลบุตรกุลบุตรก็คือลูกของผู้มีตระกูลทั้งนั้นแหละที่ได้บรรลุมรรคผลนะคนที่ไม่ได้เคยให้ทานมาจะ อ, าอะไรไปเกิดแบบนั้นอันการให้ทานเนี่ยนะจึงเป็นเหมือนกับที่โล่งใจเป็นเหมือนกับนครที่แวดล้อมด้วยขูอันรอบเนี่ยนะนผู้ที่ได้รับการดูแลโดยรอบเป็นต้นก็คือเนื่องจากว่าเขาให้ทานมาเป็นอย่างดี มันการให้ทานเนี่ยจึงเป็นพีษที่ต้านภัยได้รอบด้านการให้ทานเนี่ยเป็นเหมือนดอกบัวเพราะไม่ถูกความเศร้าหมองคือความตระหนี่ชาบทาการให้ทานเป็นเหมือนกับไฟที่เผา Couple เผาความเศร้าหมองคือความตระหนี่เป็นต้นการให้ทานเป็นเหมือนอสสรพิษบอกยินดียากเพราะคนตระหนี่ทั้งหลายไม่ยินดีที่จะให้ทานนะคนยินคนตระหนี่ทั้งหลายกลัวการให้ทานยิ่งกว่ากลัวผีอีกนะน การให้ทานเป็นเหมือนกับราชสีเพราะไม่สะดุ้งกลัวถ้าหากว่าให้จนชำนาญแล้วก็ไม่สะดุ้งกลัวแต่ไม่ได้ให้แค่นั้นการให้ทานเป็นเหมือนกับช้างที่ส่งพลังการให้ทานก็เป็นเหมือนกับโคอุสะภะขาวเพราะที่ชาวโลกเขาสมมุติกันว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งประเสริฐมากการให้ทานการให้ทานเป็นเหมือนกับม้าเวลาหกเพราะส่งไปให้ถึงภูมิ อันปลอดภัยนะเป็นตัวที่ส่งให้เราถึงสถานที่ที่ปลอดภัยจิงอยู่ทานย่อมให้เสเรราจสมบัติในโลกผู้ที่เขาเป็นพระราชามหากษัตริย์เขาให้ทานมาเขาจึงเรียกว่าอยู่ในน้ำก็มีเครื่องอยู่อย่างดีอยู่บนบกก็มีเครื่องอยู่อย่างดีอยู่บนอากาศก็อยู่อย่างสบายเพราะผลแห่งการให้ทาน จักระพัฒสมบัติก็เป็นผลแห่งทานสักกะสมบัติคือเป็นเท้าสักกะเป็นพระอินก็เป็นผลของการให้ทานการเกิดเป็นพญามาเนี่ยนะทำไม่ได้ให้ทานมาเต็มที่อย่าคิดว่าจะเป็นมาได้นะไม่งั้นไม่มีอำนาจสั่งคนได้หรอกเนี่ยนะมันจะต้องเป็นผู้ที่ให้ทานอย่างมากเลยก็เหมือนกับเจ้าพ่อเนี่ยถ้าไม่เลี้ยงลูกน้องใครจะมาเป็นลูกน้องให้นั้นก็อย่างน้อยก็เป็นผลของการจับจ่ายได้ให้เป็นอย่างดีนั่นแหละการเป็นพรหมก็เป็นผลของการให้ทาน ให้อมิสทานอภัยทานและธรรมทานเป็นต้นแม้กระทั่งจะเป็นพระสาวกพระสารีบุตรพระโมคขาลานะตลอดจนถึงพระพระมหากระสปะเป็นต้นท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่ให้ทานการให้ทานนะท่านให้ทานเสร็จแล้วท่านจึงตั้งความปรารถนาเพื่อคุณธรรมเหล่านั้น การบรรลุเป็นพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าปัจเจกโพธิญาณก็เพราะผลแห่งการให้ทานแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราผู้เป็นศาสดาของโลกพร้อมทั้งเทวโลกพระองค์ก็ให้ทานมาใช่ไหมมีไหมอะไรที่พระองค์ไม่เคยให้เนี่ยนะพระองค์ให้หมดทุกอย่างนะให้ทานก็เพราะเหตุที่บุคคลผู้ให้ทานสามารถเพื่อจะสมาทานศีลพระองค์ก็เลยแสดงแสดงเรื่องศีลต่อ ทานกับศีลต่างกันตรงที่ว่าการให้ทานเป็นการให้อมิตรให้วัตถุให้เหยื่อไปเนี่ยนะแต่ว่าการรักษาศีลเนี่ยเป็นการให้อภัยให้อภัยทานใช่ไหมให้ชีวิตให้อภัยคือให้ชีวิตเป็นทานให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นทานให้ความปลอดภัยในบุตรภริยาครอบครัวเขาเป็นทานให้คําสัตว์คําจริงเป็นทานให้ความไม่เบลอเป็นต้นเนี่ยนะเพราะอาการของคนเมาเป็นยังไง เป็นคนที่อันตรายมากแล้วลองขับรถข้างๆคนเมาดูจะเป็นยังไงของเราก็ขับคนเมาก็ขับของเราก็ขับไปด้วยคนเมาขับข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยนะใครน่าสงสารที่สุดอะไรคนไม่เมาอะไรแต่เพราะคนเมาไม่ได้เครียดอะไรใช่ไหมไม่ได้ตกใจอะไรมีอยู่ครั้งหนึ่งขับรถไปไปกยอมมาเยแล้วมีคนเมาคนหนึ่งขับรถมันขับเนี่ยขับแบบซิกแซกอะเคยเห็นไหยขับแบบงูเลื่อนอะ แล้วก็โยมคนนี้เขายถ่างตีระยะห่างให้ไกลที่สุดทที่จะหา่างได้เพราะว่าเอาใจคนพาลคนเมาเนี่ยแหมยากก็เลยในที่สุดก็มีคนเตือนให้เขาคนเมาเนี่ยจอดเนี่ยนะพอลงมาจากรถเนี่ยดูแล้วเบร์ไปหมดลนะเพราะการที่เราไม่ดื่มสุราเนี่ยชื่อว่าเป็นการให้ความปลอดภัยคนจํานวนมากเหนไหมมันโะยมเล็กได้บุญแล้วอ่นะ ในบุญหนะ้าที่ที่ให้ความปลอดภัยกับคนอื่นเนี่ยนะโดยการไม่เมาเป็นทานอนุโมทนาด้วยเป็นบุญมากแล้วนะเป็นกุศลนะลุงเรืองเนาะอันอนิสงส์ของศีลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการให้ชีวิตเป็นทานให้การ ให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นทานให้ความปลอดภัยในบุตรภรยาครอบครัวเข้าเป็นทานให้คําสัตว์คําจริงเป็นทานให้คําไม่หยาบเป็นทานเป็นต้นเนี่ยนะการทํากุศลเหล่านี้ชื่อเรียกว่าศีลศีลนี่แหละจะเป็นที่พึ่งเป็นที่พํานักเป็นที่ยึดหน่วงที่ต้านทานที่เร้นเป็นคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าของสัตว์ทั้งหลายจึงอยู่ที่พึ่งที่พํานักที่ยึดหน่วงที่ต้านทานที่เร้นที่ไปในเบื้องหน้าของสมบัติในโลกนี้และ โลกหน้าเช่นกับศีลย่อมไม่มีสมมติถ้าเราไม่มีศีนเนเกิดเป็นมนุษย์ได้ไหมไม่ได้ทีนี้ถ้าเศษปานาติบาตมันให้ผลเนี่ยนะถ้าเราไม่รักษาศีนมาในอดีตอายุตายไปนานแล้วยอมเห็นอายุไม่ได้ยืนขนาดนี้กันหรอกนี่เพราะผลเว้นจากการฆ่าสัตว์มันให้ผลอายุเลยยืนยาวบางคนเนี่ยอายุยาวเพื่อจะได้ฆ่าคนอื่นมากๆ ไม่รู้ยิ่งอยู่นานมากยิ่งคนอื่นตายเยอะถ้าอย่างนี้ก็เกิดมาเพื่อสาปแช่งให้ตัวเองอายุสั้นต่อไปก็จะได้เป็นอย่างนั้นฉั้นการรักษาศีลเนี่ยเป็นการเหมืนอะไเป็นเหมือนกับการให้พรว่าขอให้ข้าพเจ้าอายุยืนยาวการรักษาศีลขอให้ข้าพเจ้านี้สมบูรณ์ด้วยพวกท้ัพย์ การรักษาศีลก็เหมือนกับการให้พรตัวเองว่าจะได้มีคู่เวรคู่เป็นที่เกลียดเป็นที่ชังของประชุมชนเลยการรักษาศีลก็เหมือนกับการให้พรตัวเองว่าให้ทุกคนเขาพูดคําสัตจคาจริงกับเราให้คนเขาพูดแต่คําที่ไพเราะเหมาะแก่การประสานประโยชน์เป็นถ้อยคําที่ประกอบไปด้วยเมตตาเป็นคําที่มีประโยชน์โลกนี้โลกหน้าและโลกอย่างยิ่งนะก็คือบรรลุมรรคผลนั่นแหละแล้วก็ การที่เรารักษาศีลก็คือการให้สติให้ปัญญาแก่ตัวเองในอนาคตเนี่ยนะให้เป็นคนไม่เลอะเลือนไม่หลงลืงไม่ปั้มไม่เปอรเป็นต้นนะก็จําได้แม่น น, นะนะไม่ใช่เป็นโรคเออเอออะไรเงี้ยนะเอองงไปหมดเลยนะเป็นยังไงอย่างนงี้ยพันการรักษาศีลเนี่ยทาป้องกันอันตรายโดยประการทั้งปวงไม่ต้องไปคอยเจ็บคอยป่วยคอยไข้ไม่ต้องไปลําบาก การรักษาศีลเนี่ยเป็นเหตุให้สุขภาพดีเป็นเหตุให้มั่งมีทรัพย์บริวารเป็นต้นไม่สร้างปัญหาความวุ่นวายให้ปัรเสินเนี่ยนะจึงเป็นที่ไปในเบื้องหน้าของสัตว์อะไรจะเสมอด้วยศสินว่า ง, งั้นเสีนนี่เป็นเครื่องอเครื่องประดับเช่นกับศสินไม่มีดอกไม้เช่นกับดอกไม้คือศสินก็ไม่มีกลิ่นที่เป็นกลิ่นเช่นกับกล่นศี น, นย่อมไม่มีชาวโลกพร้อทั้งเทวโลก แลดูผู้ประดับด้วยเครื่องประดับคือศีลผู้ทัดทรงดอกไม้คือศีลรูปไร้ด้วยของหอมคือศีลย่อมไม่ถึงความอิ่มอันคนที่ดูผู้มีศีลเช่นดูพระพุทธเจ้านี่จึงดูไม่อิ่มเนี่ยนะยิ่งมีศีลมากเท่าใ่ก็เป็นที่ยังใจให้อะยังใจของสัตว์ให้เอิบอิ่มแล้วก็ไม่รู้จักอิ่มในการดูการชมการเห็นผู้มีศีลเป็นต้นอันคนที่มีศีลเนี่ยจึงเป็นคนที่มีมีบุญอ่ะนะ คนที่มีบุญเพียบพร้อมด้วยอายุยืนสุขภาพแรงผิวพรรณดีเป็นต้นบุคคลเหล่านี้อดีตเป็นผู้มีศีลทั้งนั้นแหละเพราะนั้นความเป็นผู้มีศีลของคนเหล่านั้นจึงเป็นที่ยินดีของหมู่มหาชนผู้ที่เป็นที่รักที่ใคร่เป็นที่พอใจของหมู่มหาชนเนื่องจากอดีตเขาเป็นคนรักษาศีลมาดีแต่ถ้าใครไม่รักษาศีลก็สาบแช่ง ต, งตัวเองต่อไปใช่ไหมข้าศัตรูก็แช่งให้ตัวเองตกนรกและเกิดมาอายุสั้น ลักทัพย์สาบแช่งให้ตัวเองตกนรกและเกิดมายากจนประพฤติผิดกาเมก็แช่งให้ตัวเองตกนรกเกิดมาเป็นกระเทยเป็นต้นเนี่ยนะเป็นที่รังเกียจของคนจํานวนมากถ้าหากว่าประพฤติมุสาวาสก็สาบแช่งให้ตัวเองตกนรกไปที่ไหนก็ถูกแต่ลอกไง น, นะเป็นต้นถ้าดื่มสุราก็แช่งให้ตัวเองไปดื่มน้ําทองแดงเกิดม า, าให้ปั๊ม ป, ปัเปอเปอื้อสตัญญาอ่อนทานก่อนได้ฟังข่าวนะไอ้พวกเด็กปัญญาอ่อนที่รัเสเซียยี่สิบกว่าคน เป็ น, เ ป, นเป็นบ้านกลุ่มพวกปัญญาอ่อนพวกหูหนวกด้วยนะปัญญาอ่อนด้วยหูหนวกด้วยมีปัญหามากไฟไหม้เขา้าทีนี้ไอ้พวกพี่เลี้ยงก็ไปกดกริง่งปลุกให้พวกนั้นตื่น่ะนะปลุกพวกหูหนวกตื่นจะทํายังไงกดกริ่งให้หูหนวกตื่นนะนะมันก็ไม่ตื่นก็นต้องไปไล่ทีละคนไฟเลยไหม้ตายไปตั้งยี่สิบกว่าคนนั่นก็เป็นผลของอะไรถ้าปานาติบาตด้วยพวกนี้เมาด้วยทําปานาติบาดด้วยเมาด้วยฆ่าด้วยเป็นต้นนั้นเวลากรรมมันให้ผลนี่มันเจ็บปวดมาก อย่าไปทำบาปเลยเนี่ยนะแต่ถ้าใครไม่กลัวทุกข์ก็พระก็ไม่เกี่ยวอยู่แล้วนะพระไปตามทางของพระเทธอะไรเงี้ยนะให้พระไปตามมรรคแปดเทเธอเนี่ยนะอย่าไปมรรคอื่นเลยเนี่ยนะและที่สําคัญเนี่ยนะบุคคลจะไปสุขคติโลกสวรรค์ได้ก็เพราะอาศัยศีลนี้ท พ, พระองค์จึงแสดง ส, สวรรค์ต่อจากศีลผู้ที่ให้ผู้ให้ทานอย่างเดียวเนี่ยนะถ้าว่าตรงๆถ้าไม่รักษาศีลนะ เกิดในสวรรค์ไม่ได้แต่ที่เกิดในสวรรค์ได้เพราะเขาให้ทานและขณะเดียวกันเข้าเป็นผู้มีศีลผู้มีศีลให้ทานนั่นแหละจึงได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ทีนี้พูดถึงสวรรค์สวรรค์สักคะกระถางเลยนะกระถาที่เกี่ยวเรื่องด้วยสวรรค์ก็เป็นต้นอย่างนี้ว่าขึ้นชื่อว่าสวรรค์เป็นที่น่าปรารถนาน่าใคร่หน้าพอใจย่อมได้ความรื่นเริงในสวรรค์นั้นเป็นนิดย่อมได้สมบัตินั้นเนืองนิดเนี่ยนะ ก็สมัยนี้โดยโดยมากๆแล้วนะชีวิตของชาวกรุงเทพกึ่งหนึ่งก็เหมือนกับคล้ายๆกับชาวสวรรค์กรุงเทพกับชาวสวรรค์นั่นแหละชาวสวรรค์ในหมู่มนุษย์เหมือนกันนะยกกดปุ่มยกกดกดปุ่มทั้งหมดเลยนะโดยรวมๆแล้วเหมือนชาวสวรรค์จริงๆนะถ้าเป็นเมื่อร้อยสองร้อปีที่แล้วใครจะเชื่อว่าสมัยกดปุ่มนะกดปุ่มประตูก็เปิดกดปุ่มเนี่ยนะเดินเข้าไปประตูก็เปิดให้เองไม่ค่อยมี สตางค์ก็ไหลมาเทมาเนี่ยนะเสื้อผ้าก็สอยเอาอะไรนะอาหารก็กดปุ่มก็เดี๋ยวก็อาหารมาถึงที่แล้วเป็นต้นเนี่ยนะมันสมัยกดปุ่มชนิดที่เรียกว่าบุญมากเลยนะนั่นกรุงเท พ, พกับชาวสวรรค์แต่เรามังตกสวรรค์ก็แล้วกันพันสวรรค์เนี่ยจึงเป็นที่รื่นเรืองใจให้สมบัติที่น่าปรารถนาอย่างเช่นสวรรค์ชั้นจาตุ้มเนี่ยนะสวรคที่ผสมบัติเก้าล้านปีมนุษย์เนี่ยนะสวรรค์ชั้นดาวเดืองอายุสามสิกล้านปีมนุษย์ นะสวรรค์ชั้นสูงๆก็อายุมากขึ้นตามสมควร น, นั้นเพราะฉะนั้นก็บอกว่าการที่จะแสดงถึงความสุขในหมู่สวรรค์ทั้งหลายให้ฟังโดยเวลาอันยอ่อเนี่ยก็ไม่ใช่ฐานะที่จะพูดได้ง่ายๆเพราะความสุขความสุขของสวรรค์นี่มีมากเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประเล้วประโลมด้วยการแสดงความยินดีด้วยพร้อมด้วยเหต เหตุให้เกิดในสวรรค์ก็คือทานกับศีลแล้วก็ความสุขในสวรรค์เป็นต้นอย่างนี้ก็แสดงต่อไปว่าพวกเราเคยไปสวรรค์กันไหมอดีตเคยตกมาจากสวรรค์ใช่ไหมตอนนี้ก็คือคนที่เคยไปสวรรค์นั่นแหละพวกตกจากสวรรค์ก็เลยเพราะสวรรค์ไม่เที่ยงถึงเราไปอยู่สวรรค์ก็สวรรค์ก็ไม่ได้เที่ยงอะไรหรอกความชีวิตที่เป็นจริงนะผู้ที่เกิดในสวรรค์ก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรทำความยินดีด้วยอำนาจฉันราคะอย่าไปติดใจลุ่มหลงในสวรรค์การแสดงแบบนี้เหมือนบุคคลประดับช้างแล้วก็ตัดงวงของช้างนั้นฉันใดก็ดีพระองค์ก็แสดงโทษถึงความต่ำทรามความเศร้าหมองของกามทั้งหลายว่ากามทั้งหลายเนี่ยมีความอร่อยน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากแม้กระทั่งความสุขในสวรรค์ก็ฉันนั้นความสุขในสวรรค์ก็เหมือนกับ เหมือนกับความฝันเนี่ยนะก็เหมือนกับความฝันความสุขในสวรรค์ก็เหมือนกับของขอยืมเพราะจริงๆแล้วก็มีความอร่อยน้อยในที่สุดก็สิ่งเหล่านั้นก็สูญเสียไปหมดใช่ไหมเหมือนกับของขอยืมเป็นต้นเนี่ยนะถ้ายิ่งความสุขในมนุษย์ก็เหมือนกับชิ้นเนื้อที่ต้องคอยแก่งแย่งชิงดีกันคอยรบราฆ่าฟันกันเพื่อให้ได้ทรัพย์สินเหล่านั้นมาพราะะัะความเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้จะกล่าวไปแล้วก็มีน้อยเดียว แต่มีทุกข์มากมีความคับแค้นมากก็แสดงโทษของกามว่ากามเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความเลวทรามเป็นสภาวะคนพวกไม่ประเรสริฐซ่องเสพคนพวกคนประเสริฐไม่ซ่องเศพเพราะว่ากามทั้งหลายมีความเลวทรามเป็นสภาวะใครที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ ก, กามทั้งหลายที่ใจไม่เศร้ามองหาได้ยากหายากมากที่ไปเกี่ยวข้องและใจไม่เศร้ามองไง มันใครเกี่ยวข้องกับวัตถุใดใจก็จะเศร้ามองมาจากวัตถุนั้นมีไม่กี่อย่างเอาโดยที่สุดแม่ก็ต้องมาทําบุญในที่สุดก็ของที่ไปทําบุญก็ยังตั้งเป็นที่ตั้งแห่งความเศ้าใจเนี่ยนะจะกล่าวไปใหญ่ถึงเรื่องไปทําอย่างอื่นเล่ า, าว่างั้นเพราะในโลกนี้วัตถุทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้ามองทางจิตใจฉะนั้นผู้ที่ใดผู้ใดเข้าไปเกี่ยวข้องความเศร้ามองก็จะเกิดขึ้นเพราะอาศัยวัตถุกรรมสัตว์ทั้งหลายจึง เศร้ามองอาศัยรูปที่น่าปรารถนาเราก็เลยใจเศร้ามองอาศัยเสียงที่น่าพอใจใจก็เลยเศร้าหมองเพราะกามทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าหมองแล้วก็ไม่ใช่เศร้ามองธรรมดาเศร้ามองถึงขนาดต้องทําชั่วด้วยกายวาจาและใจเนี่ยนะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยทำให้เศร้าหมองถึงขนาดต้องทําบาปทําอกุศลในที่สุดก็มาเปื้อนบาปอีกจนได้เศร้าหมองด้วยอํานาจตันหาเศร้ามองด้วยอํานาจของมิจฉาทิฐิเป็นต้น เพราะการเป็นปัจจัยหลายคนก็เป็นมิจฉาทิฐินึกว่าตัวเองได้ดีเพราะทิฐิเหล่านั้นนีนมิจฉาทิฐิเป็นปัจจัยเอากามทั้งหลายเป็นปัจจัยให้เกิดมิจฉาทิฐิการทั้งหลายก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาไหลท่วมทับออกมาการทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นเหตุให้ทําความชั่วหาดูเถิดในโลกนี้ตารางนิ้วตรงไหนบั่งที่สัตว์ไม่ทําชั่วมีไหมตารางนิ้วเลยนะหรือตารางมินก็ได้ มีตรังมินตรงไหนบัางที่สัตว์ไม่ทําความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าความชั่วทางกายและวาจาใจเนี่ยนะมีตรงไหนบัางที่ไม่ทําชั่วปัน้นถือว่าเป็นแดนโครจรแห่งบาปและแดนโครจรแห่งกุศลธรรมทั้งหลายนั่นคือความเศร้าหมองของกลาะองค์ก็ประกาศเมื่อเห็นโทษของกลามองค์ก็ประกาศอานิสงส์ของเนคขมมะคือแสดงคุณของการบวชแสดงคุณของฌานอภิน ญ, ญามมรรคผล และนิพานเพราะคาว่าเนคขมารวมไปถึงพระ น, นิพานด้วยปันเมื่อสุปปพุทธกุฏิฟังธรรมจิตก็นะจิตควรแก่การงานเพราะจิตเป็นที่ตั้งแห่งการงานยิ่งฟังธรรมใจก็เหมาะแก่การงานโดยเข้าถึงภาวะที่รองรับเทสนาที่พระองค์ประกาศไว้ในเบื้องต่าและเทสนาเบื้องสูงเพราะปราศจากโทษแห่งจิตถึงความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาเป็นต้น ใจที่ประกอบด้วยโทษเนี่ยนะคือใจที่ไม่มีศรัท ธ, ธาเป็นใจที่มีโทษใจ <Lab>. ที่ขาดความเพ Länder, ียรก็เป็นใจที่มีโทษใจที่ไม in <sal> <genocide Gur> ่มีสติก็เป็นใจที่มีโทษใจที่ไม่ตั้งมั่นก็เป็นใจที่มีโทษใจที่โง่เขลาหลงงมงายก็เป็นใจที่มีโทษพันประกาศให้ใจนี้ปราศจากโทษคือความไม่มีศรัทธาเป็นต้นให้ใจนี้ปราศจากโทษเพราะนิวรณ์เป็นต้นไม่กลุ่มรุม พระองก็รู้ว่าสุปปพุทธกุฎินั้นมีจิตอ่อนเพราะปราศจากกิเลสมีทิฐิมานะเป็นต้นมีจิตปราศจากนิวรณ์เพราะไม่มีนิวรณ์ห้ากลุ่มรุมมีจิตเบิกบานด้วยปีติปราโมทที่ที่เกิดจากสัมมาปฏิบัติมีใจผ่องใสสมบูรณ์ด้วยสัพทานในข้อปฏิบัติเหล่านั้นนั้นเป็นใจที่ไม่มีโรคเป็นใจที่ไม่แข็งกระด้างไม่มีโรคคือกามาฉันทะกลุ่มรุมไม่แข็งกระด้างด้วย โศเพราะเป็นใจที่มีเมตตาเป็นใจที่ไม่ถูกปิดกั้นด้วยความฟุ้งซ่านเพราะไม่มีอุทจักกุกกุจักลุ่มรุมเป็นใจที่ไม่หดหู่ประคองไว้โดยปราศจากถีนมิทะเป็นใจที่น้อมไปเลื่อมใสในสัมมาปฏิบัติโดยไม่มีวิจิกิจฉาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจนใจเข้าเป็นแบบนั้นได้นี่ยนะทำไมสมัยก่อนเขาจึงบรรลุธรรมไม่ต้องแปลกใจเพราะพระพุทธเจ้าเป็นนักเกลี้ย ก, กล่อมชั้นเลิศของโลก เกลี้ยกล่อมจนใจเขาไม่มีบาปไม่มีอกุศลจนใจเขาไม่เศร้าไม่หมองเป็นใจที่ไม่ขุนมัวเป็นใจปราศจากกิเลสเป็นใจที่ประกอบด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาให้สติปัญญาเขาเกิดขึ้นเรียกว่าเกลี้ยกล่อมทางจิตใจกําจัดโทษภัยของจิตใจออกไปโดยประการทั้งปวงแล้วหาคุณธรรมทั้งหลายให้มีขึ้นในจิตใจเมื่อจิตใจมีคุณธรรมเต็มเปี่ยมขนาดนั้นแล้วพระองค์จริญประกาศอริยสัจ ไม่ให้ขึ้นต้นหรอเฮ้ยทุกข์ขึ้นมาพรวดพลาดนั่นไม่ใช่แต่หมายคามว่าจิตใจของเขาสมควรที่จะตรัสรู้แล้วพระองค์เจึงประกาศอริยสัจแสดงสามมุกสมุกังสิกาคือเทศนาที่พระองค์ยกขึ้นแสดง เ, เทศนาที่พระองค์ยกขึ้นแสดงที่พระองค์เห็นด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองตรัสรู้โดยเพราะอาศัยบาเพ็ญบุญบารมีจนได้ตรัสรู้อริยสัจ ด้วยพระส ย, มยามภูญาณพระองค์งก็ประกาศสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้คืออริยสัจว่านี้ทุกขอริยสัจทุกขสมุทัยอริยสัจทุกขนิโรธอริยสัจแล้วก็มรรคอริยสัจเป็นการแสดงโดยสรุปส่วนเนื้อหาพิสดารก็ดูเอาได้จากสัจจะวิพังสัจจะนิเทศวิสุทธิมรักษัจจะกระถาปฏิสัมพิธามรักเป็นต้นมันพอฟังจบนันะนะ ก็บอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า แ, แสดงการละกิเลสและการยังอริยมรรคให้เกิดขึ้นแก่สุปปะพุทธะด้วยอุปมาว่าสยถาปิเป็นต้นเนี่ยนะเหมือนกับผ้าที่ถูกซักฟอกให้สะอาดแล้วก็มาย้อมด้วยน้ําย้อมที่ดีฉันใดสุปปะพุทธะก็ฉันนั้น น, น, นะนะถูกใจเนี่ยย้อมด้วยปัญญาที่เกิดรู้แจ้งเห็นอริยสัจเพราะสุปปะพุทธะเนี่ยนะ เห็นแจ้งได้อย่างรวดเร็วเป็นผู้ที่มีปัญญาเฉียบแหลมเป็นสุขาปฏิปทาขิด ป, ปาพิญญาบุคคลอย่างที่หลายทนเวลเาตั้งความปรารถนาในหนังสือที่ตั้งความปรารถนาขอให้มีการปฏิบัติสะดวกตรัสรู้ได้พลันกระทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลอันเลิศ อันปรับด้วยทํามีวิชาเป็นต้นมันบางคนเขาก็ตั้งความปรารถนาเพื่อให้รู้เร็วรู้ง่ายไม่ใช่ตรัส ร, รู้ทั้งน้ําตาเนี่ยนะกว่าจะรู้เรื่องหนึ่งก็น้ําตาคล้าเบ้ายนั่นแหละกว่าจะรู้มันทุกแพ้เนี่ยนะจะรู้เรื่องหนึ่งได้นีพวกนี้เรียกว่าน้ําตาอาบแก้มทั้งหลายหลังจากที่พระเออขอไปหลังจากที่สุปาพุทธตรัสรู้อริยสัจเนี่ยนะใจของเขาก็ ปราศจากทุลีปราศจากทุลีเพราะไม่มีทุลีคือราคะที่เป็นเหตุนำไปสู่อบายเพราะไม่ต้องตกอบายอีกแล้วปราศจากมนทินเพราะไม่มีมิจฉาทิฐิและวิจิกิจฉาหรืออีกในหนึ่งปราศจากทุลีเพราะไม่มีทุลีคือกิเลสที่โสดาปฏิมักจะต้องฆ่าปราศจากมนทินเพราะเป็นผู้เลิกทุศิลได้เด็ดขาด กำจัดความทุศีนเพราะเจตนาเป็นเหตุฆ่าไม่มีสำหรับพระโสดาบันเจตนาเป็นเหตุถือเอาของที่คนอื่นไม่อนุญาต ก, ก็ไม่มีสำหรับพระโสดาบันเจตนาเป็นเหตุประพฤติผิดในการมเจตนาเป็นเหตุพูดเท็จเจตนาเป็นเหตุให้ดื่มสุราและเมรัยก็ไม่มีแก่พระโสดาบันเพราะนั้นท่านก็ปราศจากการปราศจากความเศร้าหมองคือความทุศีลทำมาจากขุก็หมายถึงโสดาปฏิพันธ์โสดาปฏิพันธนี่เกิดขึ้น ที่พงษ์กล่าว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาธรรมาจักสุอันนั้นแหละธรรนิโรธให้เป็นอารมณ์แทงตลอดปร่งโปรงซึ่งสักตะธรรมด้วยอํานาจกิจเกิดขึ้นนีนะก็หมายความว่าอริยมรรคอริยผลโสดาปติมรรคโสดาปติผลทำกิจเห็นพระนิพพัตตรัสรู้นิพพานโดยอารถมณปัจจัยแทงตลอดทุกขกับสมุทัยโดยอํานาจของ กิตเป็นการอบรมเจริญประชมขณะอารยมรรคเกิดขึ้นโดยอาศัยการฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นปัจจัยเนี่ยนะอาศัยการฟังธรรมเกื้อกูลแล้วท่านก็คิดตามตรึกตามปฏิบัติตามจนได้ตรัสรู้ธรรมตามพระพุทธเจ้าถ้าจะเปรียบเทียบอุปมาว่าจิตเนี่ยเหมือนกับผ้าภาวะที่จิตเศร้ามองด้วยมนทินมีราคะเป็นต้นเหมือนกับผ้าที่เปื้อนด้วยมนทินที่จอนมา อนุปุ่นพีกถาก็เหมือนกระดานสําหรับซักศรัทธาก็เหมือนกับน้ําใช้น้ําคือศรัทธาเนี่ยนำมาซักการใช้น้ําคือศรัทธาชโลมให้ชุ่มใช้สติสมาธิและปัญญาทําโทสะให้หย่อนลงแล้วปรารบความเพียรชําระจิตให้สะอาดด้วยวิธีมีสุตะเป็นต้นเชดูนะใช้น้ําคือศรัทธาแล้วก็ใช้สติสมาธิปัญญาระ ง, งับโทสะใช้ความเพียรก็คือใช้อินทรีห้านั่นแหละ คือพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเพื่อส่งเสริมอินทรี่ห้าส่งเสริมศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาอาศัยการฟังนี่เป็นปัจจัยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็เพิ่มพูนยิ่งขึ้นเปรียบเหมือนการเอาน้ําแช่ผ้าให้เปียกแล้วก็ใช้น้ําด่างโคลไม่ขย้ําที่จุดดําก็คือใช้เครื่องซักเครื่องฟอกอนนเครื่องมืออุปกรณ์ในการซักฟอกอริยมร์ ก, ก็เหมือนกับน้ําย้อม การชำระจิตที่ขมกิเลสได้แล้วให้ผ่องแผ้วด้วยอริยมรรคเหมือนผ้าที่สะอาดผ่องใสด้วยการยอมสำเร็จพันสุปปะพุทธาก็บรุโสดาบัน น, นะนะพระธรรมบรุโสดาปฏิผลขณะนั้นเนี่ยใจจริงก็อยากจะกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ก็ไม่สามารถแหวกเข้าไปสู่ท่ามกลางบริษัทได้เพราะคนห้อมล้อมเต็มไปหมดคนขี้เรือนจะเดินเข้าไปได้ยังไงใช่ไหม ก็เวลามหาชนถวายบังคมพระศาสดาตามส่งเสด็จแล้วก็กลับพระผู้มีพระภาคเจ้าก็กลับไปยังพระวิหารเวลุวันนะนะท่าที่เมืองราชคือคือเวลุวันทีนี้ตัวเองก็ติดตามไปวัดเวลุวันด้วยเพราะในเขตเมืองราชาคือกับเวลุวันไม่ไกลกันเท่าไหร่ขณะนั้นเท้าสักกะเทวราชรู้ว่าสุปปะพุทธกุติมีความประสงค์จะประกาศคุณ คือโสดาบันเป็นต้นที่ตนได้รับในพระศาสนาของพระศาสดาให้ปรากฏคิดจะทดลองเธอเทวดาจะทดลองดูทดลองว่าจริงหรือเปล่าแน่จริงหรือเปล่านนะก็เสด็จไปประทับอยู่บนอากาศตรัสคํานี้ น, นะเหาะมายืนอยู่ข้างหน้าคนขี้เรือนเลยบอกว่าสุปาพุท ธ, ธเธอเป็นคนขัดสนเป็นคนกําพระเป็นคนยากไร้เราจะให้ทรัพย์อันหาประมาณไม่ได้แก่เธอแต่เธอต้องพูดสามคำก่อ น, อน บอกพระพุทธไม่ใช่พระพุทธคำหนึงนะพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์ผู้ได้ไหมแล้วก็บอกบอกเลยไปอีกนะบอกพอกันทีด้วยพระพุทธเจ้าพอกันทีด้วยพระธรรมพอกันทีด้วยพระสงฆ์บอกถ้าเธอพูดอย่างนี้ฉันจะให้ซั์เธอหาประมาณไม่ได้สุปปาพุทธาก็กล่าวกับท้าสักกาว่าท่านเป็นใคร บอกเราเป็นเท่าสักกะคือเป็นพระอินเหมือนกันสุปปะผทธาก็กล่าวว่าดูก่อนคนอันตภ า, านอันทา่าแล้วว่าบอดภาละเขาทั้งโง่ทั้งบอดไม่มียางอายท่านากล่าวคำที่ไม่สมควรจะกล่าวอย่างนี้ท่านไม่สมควรจะพูดกับเราเลยเพราะเหตุไรเพราะทำไมท่านจึงมาพูดกับเราว่าเราเป็นคนเข็นใจเป็นคนขัดสนเป็นคนกําพระ บัดนี้เราเป็นโอรสของพระโลกกนาาเจ้าไม่ใช่หรือตอนนี้เป็นบุตรของพระพุทธเจ้าก็เป็นบุตรของมหาจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่3ามโลกเนี่ยนะจะรวยขนาดไหนใช่ไหมไม่ใช่ยากจนแบบเก่าแล้วนะคนละคนแล้วคุยผิดคนแล้วว่างัน้นเราไม่ใช่คนเข็นใจไม่ใช่คนขัดสนกําพรา้าที่จริงแล้วเราได้รับความสุขด้วยความสุขอย่างยิ่งเรามีอริยทรัพย์มากเหลือเฟือนะมีทรัพย์ก็คือมีอริยทรัพย์ อย่างที่พระองค์บอกว่าบุคคลใดไม่เลือกว่าจะเป็นหญิงหรือชายถ้ามีอริยทรัพย์เจ็อย่างทรัพย์คือศรัทธาศีลฮิริโอตตาปสุตตาจาระปัญญาบัณฑิตเรียกบุคคลนั้นว่าไม่เข็นใจชีวิตของบุคคลนั้นไม่ไม่ไม่เปล่านะไม่ใช่มีแต่โครงกระดูกเดินได้แต่ภายในไร้ศรัทธานะไม่ใช่คนกลุ่มนั้นเพราะคนที่เข็นใจคือคนที่ไร้ศรัทธา มันจนจนใจอย่างที่ว่าจนใจจนไม่มีศรัทธานะจนทางใจนะจนใจถึงขนาดว่าไร้ศรัทธาจนใจไม่มีศีลจนใจแบบไร้ฮิริโอตตปะยากแค้นเข็นใจจนไม่มีสุตตะไม่มีจารคะยิ่งโจนที่สุดก็คือคนไร้ปัญญาเนี่ยโจนอะไรจะจนเท่ากับคนไม่มีปัญญาอีกแล้วในโลกนี้ดงนั้นคนที่ไม่มีอริยทรัพย์จึงเรียกว่าเป็นคนเข็นใจบัดนี้ท่านมาพูดว่าเราเป็นคนจนได้ยังไงเพราะเราสมบูรณ์ด้วยอริยทรัพย์เนี่ยนะ มีอริยทรัพย์คือศรัท ธ, ธาสีนฮิริโอต ป, ปะสุตตะจากขะปัญญาอริยทรัพย์เหล่านี้เป็นเครื่องมือที่จะพาให้ข้ามจากภพเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราชื่อว่ามีอริยทรัพย์เจประการบุคคลผู้มีอริยทรัพย์เจ็ประการพระพุทธเจ้าหรือพระปัเจกพระพุทธเจ้าไม่ตรัสเรียกว่าเป็นคนเข็นใจสักเทวส ก, กะพอฟังคําแล้วก็จากไปในระหว่าง รีบเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลคำทั้งหมดเล่าถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนสักกะเทพเช่นท่านแม้ตั้งร้อยตั้งพันก็ไม่อาจจะให้สุ ป, ปะพุทธกุฏิกล่าวว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์เอาอยาว่าขั้นคนเดียวเลยเอาไปเป็นร้อยเป็นพันก็ไม่มีประโยชน์อะไร เพราะอาจระศรัทธาใจของท่านประกอบด้วยศรัทธาที่มั่นคงเพราะเห็นอริยสัจเป็นที่พ้นทุกข์แล้วพานใจของพระอริยสัจเนี่ยนะเอ่อใจของพระอริยสาวกผู้เห็นอริยสัจจะไม่วันไหวด้วยลมปากทั้งหลายนะจะไม่มีลมปากลมใดที่จะพัดใจให้อ่พัดใจของพระโสดาบันวันไหวจากการนับถือพระพุทธเจ้านับถือพระธรรมและนับถือ พระสงฆ์เพราะพระพุทธเจ้าคือผู้ตรัสรู้อริยสัจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนก็สอนอริยสัจพระสงฆ์คือพวกคนที่เห็นอริยสัจทาใจของผู้เห็นอริยสัจเปลี่ยนไปนับถืออย่างอื่นทาใจไม่ได้เนี่ยนะเพราะมันทำใจได้ยังไงใช่ไหเพราะใจของท่านมีปัญญาสุปาพุทธเข้าไปเฝ้าปฏิสันถานกับพระผู้มีพระภาคเจ้านะ หลังจากที่ท่านทิฏฐธรรมโมคือผู้มีธรรมอันเห็นแล้วเพราะท่านเห็นอริยสัจจะทำนะนะเห็นอริยสัจจะทำแล้วคําว่าทัศนะก็คือเห็นอริยสัจปัตตธรรมโมก็คือแสดงนิโรสัจนะเพราะท่านมีญาณสมบัติเห็นนิโรสัจนะวิธิตธรรมโมก็คือเห็นแจ้งเห็นแจ้งอริยสัจนั่นแหละมันคําทั้งหมดเนี่ยนะคำว่า ผู้เห็นธรรมผู้เข้าถึงธรรมรู้แจ้งธรรมอย่างลงสู่ธรรมก็คือโดยจะเกี่ยวเกี่ยวพันกับอริยสัจ ต, ตามสมควรแก่กิจนะนะตามสมควรแก่กิจจิงอยู่มัรคยานให้สําเร็จปริญญากิจ ด, ด้วยอํานาจการตรัสรู้ครั้งเดียวแล้วก็อย่งลงสู่ญายธรรมทุกญายาธรรมโดย ท, ทุกส่วนรอบด้านไม่ใช่ยานอื่นจากมัรคยานนั้นเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าเป็นคนอย่างลงสู่อริยมรรคยาน ท่านเป็นผู้ข้ามพ้นความสงสัยในวิจิิจิามีวัตถุบหหรือวิจิิจิามีวัตถุ8นะความสงสัยอันนี้เหมือนทางกันดานสงสัยในอดีตห้าสงสัยในอนาคตหสงสัยในปัจจุบันหหรือสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงสัยในสิกขาสงสัยในอดีตสงสัยในอนาคตสงสัยทั้งอดีตอนาคตสงสัยปฏิจจสมุปบาทเป็นต้น สุปพุทธกุฏิโรคเรื้อนคนนี้เนี่ยปราศจากความสงสัยเหล่านั้นโดยสิ้นเชิงจึงเชื่อว่าผู้ปราศจากความเคลือบแคลงเพราะว่าเลิเกเคลือบแคลงแล้วเป็นผู้ก ล, กล้าถึงสภาวะแห่งความเป็นพลก ล, กล้าเป็นผู้เชี่ยวชาญละบาปประธรรมที่ทำความไม่ก ล, กล้าและท่านก็ตั้งมั่นอยู่ด้วยคุณมีศีลเป็นต้นที่เป็นค่าศึกต่อบาปประธรรม และท่านนั้นไม่ต้องมีคนอื่นมาสนับสนุนในการนับถือพระศาสนาของพระศาสดานะไม่ต้องเชื่อคำของใครอีกต่อไปแล้วก็เลยอนุโมทนาว่าอภิกันเตบอกดีจริงๆเนี่ยนะที่ สุปพุทธประกาศว่าเขานี่มีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าสรนเสริญในพระธรรมของพระองค์ชมเชยในพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าชมเชยว่าที่ตัวเองได้เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชมเชยที่ได้มีบุญได้นับถือได้มีจิตประดิษฐานตั้งมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็บอกว่าพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้แจ่มแจ้งยิ่งนาพระเจ้าค่ะ ความเลื่อมใสของข้าพระองค์เพราะอาศัยพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็แจ่มแจ้งยิ่งนะพระเจ้าขา้าพระสุปปพุทธะกล่าวถึงการแจ่มแจ้งนกะเพราะท่านกำจัดโทสัก์ได้แล้วนะเพราะว่าทำโทษทั้งหลายให้พี่นาถสามารถบรรลุคุณโดยนำศรัทธาเนี่ยนะเป็นคำสอนที่ทำให้เกิดศรัทธาคาสอนที่ทาให้เกิด ปัญญาเป็นคำสอนที่สมบูรณ์ด้วยอัฏถะและพยัญชนะเป็นคำสอนที่ฟังฟังง่ายแต่เนื้อหาที่ลึกซึ้งฟังและสบายหูไพเราะจับใจเป็นคำสอนที่ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเป็นคำสอนที่เยือกเย็นด้วยกรุณาแล้วก็ผ่องแผ้วด้วยปัญญาเป็นคำสอนที่เรียกว่าศพอารมณ์ทนต่อการย่ำยีเป็นคำสอนที่ให้ความสุขแก่ผู้ฟัง แล้วก็ให้ประโยชน์ใคร่แก่ผู้ใคร่ครวนเพราะผู้ใดเอาไปใคร่ครวนก็สําเร็จประโยชน์มันคําสอนที่พระองค์สอนนั้นเหมือนงายของที่คว่าเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนลงทางส่องประทีปในที่มืดอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อให้เราผู้เบือนหน้าจากพระสัทธธรรมตกอยู่ในอาศัทธธรรมคือปกติแล้วเป็นคนที่หันหน้าหนีจากศรัทธาหันหน้าหนีจาก ฮิริโอต ป, ปะหันหน้านี้จากสุตะวิริยะปัญญาเป็นต้นเนี่ยนะบัดนี้พระองค์ให้หันออกจากอาศัตธรรมให้หันหน้ามาหาศรัทธาศีลเป็นต้นเหมือนใครใคงายภาชนะที่คว่ำเอาไวเชะนั้นพระองค์เปิดเผยพระาศาสนาคือไตรสิกขาที่สอนอริยสัจเนี่ยนะที่รกชัดคือมิจฉาทิฐิมาปกปิดปิดบังเอาไว้ตั้งแต่าศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากสปะอันตรธานไป บัดนี้พระองค์เปิดเผยพระศาสนาเหมือนกับเปิดเผยภาชนะที่คว่ำหรือเปิดเผยภาชนะที่ปิดเอาไว้ฉะนั้นพระองค์บอกทางชี้ทางสวรรค์ทางนิพพานแก่ผู้ดำเนินไปในทางชั่วดำเนินไปในทุจริตสามเป็นต้นเหมือนบุคคลบอกทางแก่คนหลงทางคนหลงทางก็หลงไปทำความชั่วด้วยกายวาจาตอนนี้พระองค์มาชี้ทางให้รู้จักทางแห่งสวรรค์และทางแห่งนิพพาน เมื่อเราจมอยู่ในความมืดคือความโง่เขลาไม่เห็นรูปรัตนะไม่ว่าจะเป็นความโง่เขลาทำให้ไม่เห็นพระพุทธเจ้าไม่ให้เห็นพระธรรมไม่ให้เห็นพระสงฆ์จึงพระองค์เนี่ยประกาศธรรมะโดยอเนกปริยายประกาศให้เห็นคุณของพระรัตนะไตรเป็นต้นโดยทรงไว้ซึ่งความโทดช่วงแห่งเทสนาเพราะสา ม, มารถกำจัดความมืดคือโมหะกาจัดความโง่เขลาออกไป โมหะตัวนี้แหละเป็นตัวปกปิดรูปรัตนะมีพระพุทธรัตนะเป็นต้นการสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนบุคคลตามประทีปเอาไว้ในที่มืดเช่นนั้นเนี่ยนะมืดมืดถ้ามีผู้ใดมาเปิดไฟให้ก็สว่างสวยหลงทิศหลงทางมานานแล้วเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขอถึงขอคบขอรู้นะพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เรียกว่าพระวันตังสารณังกชามิานะขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นสาระ ก็คือขอถึงขอคบขอรู้ขออย่างรู้พระผู้มีพระภาคเจ้าโดยประสงค์ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสารณะพระองค์เป็นที่ยึดหน่วงพระองค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าพระองค์เป็นผู้กําจัดทุกขพระองค์เป็นที่ทรงไว้ซึ่งประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าพระองค์เพราะฉะนั้นชีวิตนี้ก็ขอถึงขอคบขอรู้ขออย่างรู้ขอเอาพระองค์เป็นสารณะเป็นที่ยึดหน่วงเป็นที่กําจัดทุกขเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งหมดแก่ข้าพระองค์ ลักษณะคนที่คิดแบบนี้เรียกว่าคนถึงสารณะเนี่ยนะส่วนขอถึงพระธรรมคําว่าธรรมก็คือธรรมที่ทรงไว้ซึ่งบรรลุผู้บรรลุมรรคทาให้แจ้งนิโรธปฏิบัติตามคําที่พร่มสอนไม่ให้ตกไปสู่อบายสีมันคําว่าธรรมะในธรรมังสราร น, านังฆะฉามิคืออริยมรรคอริยผลนอริยมรรคและนิพพานเนี่ยนะทีนี้คําว่าธรรมังสราร น, านังฆะฉามิเนี่ยปกติแล้วมีห้าคำคืออริยมรรคนิพพาน ปริยัตและอริยผลอย่างที่พระองค์สอนสอนชัตตะมานบว่าขอเธอเนี่ยจงถึงธรรมะเป็นที่สำรอกราคะไม่เอ็นเอียงไม่เศร้าโศกไม่มีปัจจัยปรุงแต่งไม่น่ารังเกียจเป็นธรรมที่ไพเราะช่ำชองที่จำแนกไว้ดีแล้วเพื่อเป็นสารณะเธอเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมังสารณังขะฉ า, ามิหมายถึงอริยมรรคอริยผลและนิพพานเนี่ยนะที่เป็นสารณะ ก็ส่วนพระสงฆ์ก็คือพระอริยบุคคลแปดผู้เสมอกันด้วยศีลและทิฏฐิอันนี้ก็สุ ป, ปะพุทธกุฏิก็ถึงสารณคมเนี่ยนะส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ อ, อ, อีกก็คงเป็นวันเสาร์หน้าแบสาว่าจะให้จบไม่จบเนาะจะเรียบจบไปนะจบแล้วของมาจะเอาอะไรพูด สำหรับวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้นะด้วยกุศลธรรมที่เราตั้งใจฟังด้วยดีก็ขอให้เจริญด้วยศรัทธาศีลสุตะจาระปัญญาขอให้เจริญงอกงามในศาสนาของพระศาสดาได้รับประโยชน์โลกนี้ได้รับประโยชน์โลกหน้าให้ได้เข้าถึงประโยชน์สูงสุดคือบรรลุมรรคผลนิพพานทั่วหน้ากันขอความสุขสวัสดิพ์พิพัฒนามงคลความสมบูรณ์ภูมิท้นเจริญงอกงามในชีวิตหน้าที่การงานประสบแต่ความสุขความเจริญ ทุกคนทุกท่านตลอดไปเนะนี่ยนะขอนโมธนาด้วย